ฉะนั้นในวันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการฝึกในการที่จะทําให้พรหมวิหารเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่ในด้านของการประพฤติปฏิบัติในด้านของการปฏิบัติตามทิศทั้งหกดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยได้กล่าวไปค่อนข้างมากแล้วฉะนั้นในวันนี้อยากจะกล่าวในเรื่องของให้เราทําความเข้าใจเล็กน้อยเนี่ยในเบื้องต้นเวลาอันจํากัด ก็หมายความว่าอยากให้เราทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพรหมวิหารไม่ว่าจะเป็นเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาเนี่ยซึ่งเป็นพรหมวิหารธรรมในพรหมวิหารธรรมทั้งสี่ข้อเนี่ยธรรมะเครื่องอยู่อย่างประเสริฐทำประจํำใจอันประเสริฐธรรมะที่ควรมีไว้เป็นหลักใจไว้กํากับพฤติกรมกรมต่างๆแล้วเนี่ย คือมันมีปัญหาเรื่องการว่าหลายๆท่านก็บอกว่าเราได้ยินกันมากเลยเกินคําว่าเมตตาเมตตากรุณาหรือมุทิตาและเวหาเนี่ยแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเวลาจะทําให้เกิดขึ้นจริงๆที่ทาไม่ค่อยได้ <c oughs> เป็นปัญหาจริงๆกันเเมตตาเนี่ยที่คําว่าสภาพใจ ท, ที่ให้เป็นความรักความปรารถนาดีได้มากเราก็ไปยึดกันที่รูปแบบยกตัวยอย่างเช่นว่าสะท้อนเลย อคือเวลาเราคิดให้จิตเป็นเมตตาเนี่ยโดยมากเนี่ยเราไม่คิดให้จิตเป็นเมตาก่อนเราก็จะไปนึกถึงคนอื่นก่อนเช่นเราปรารถนาดีกับเขาเราทำกิจกรรมต่างๆกับเขาเป็นต้นอะไรเนี้ยฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวขอพูดตรงนี้นิดนึงเราจะได้เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติเมตตาเนี่ยเขแปลว่ารักปรารถนาดีเ อ, อื้อทอนลักษณะของเมตตาก็คือหยิบยน่นหยิบยื่นประโยชน์ให้เขา การที่เรารักใครปรารถนาดีกับใครแล้วปรารถนาจะหยิบยื่นประโยชน์ให้กับเขาเนี่ยแล้วก็ประโยชน์ที่เราจะให้เขาคืออะไรประโยชน์ทางการกระทําทางกายบ้างทางวาจาบ้างแม้สภาพจิตใจที่เราคิดดีๆกับเขาปรารถนาดีกับเขาเนี่ยนี่คือลักษณะของเมตตาทีนี้พอเมตตาเกิดขึ้นเนี่ยเมตตาจะทําการหยิบยื่นเอาประโยชน์ที่ดีทั้งหลายไปให้คนอื่น ทีนี้แล้วเมตตาจะทํำยังไงเมตาก็ไปทําลายตัวโทสะคือความโกรธงั้นคนที่โกรธก็ดีหงุดหงิดก็ดีทั้งหลายเนี่ยเวลาเมตตาจิตเกิดขึ้นมาสภาพจิตที่โกรธและหงุดหงิดก็จะอันตรทานหายไปเมตตาก็จะเกิดขึ้นลักษณะของเมตตาเขาเรียกอะโทสะคือความไม่โกรธความไม่โกรธก็คือสภาพใจที่เป็นไปกับความไม่หงุดหงิดสภาพที่มีใจดีใจที่มีความรักปรารถนาดี สภาพจิตจะนุ่มนวลมากถ้าเป็นเมตตาเกิดขึ้นจริงๆนะจิตจะนุ่มนุ่มนวลอ่อนโยนผ่องใสล่าเลิงเบิกบานไม่เครียดไม่ก้มไม่ทุกข์ไม่วิตกกังวล ใ, ใดๆเลยสภาพจิตใจจะเป็นไปลักษณะอย่างนั้นจะสังเกตได้จากสีหน้าแววตาก็จะยิ้มแย้ม แ, บบแมจ่มใสในลักษณะใจดีจะเป็นแบบนั้นทีนี้สภาพที่จิตใจดีจิตที่แข็งแรงจิตที่มั่นคงหรือจิตที่ทนทานที่เป็นเมตตา หรือเป็นอโทสะหรือเป็นขันติในคล้ายกันแต่มันต่างกันยังไงรู้ไหมยกตัวอย่างเช่นเวลาเราร้อนแล้วทนความร้อนได้หนาวทนความหนาวได้ทนลําบากทนตรากตรามได้ทนต่อทุกขเวทนาเป็นต้นได้ความอดทนอดกลั้นที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยในป่ารบแดดฝนลมหนาวเป็นต้นเราเนี่ยในขณะนั้นจะเป็นขันติแต่มันเป็นสภาพธรรมอันเดียวกัน แต่ถ้าเวลาใดเกิดความรักปรารถนาดีเอื้อทอนเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยใจดีเกิดขึ้นมาจิตนุ่มโนวนเกิดขึ้นแล้วก็มีความรักปรารถนาดีกับตนเองและบุคคลอื่นด้วยความจริงใจแบบจับจิตจับใจสภาพจิตเป็นเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญดังกล่าวแล้วเนี่ยด้วยการที่คิดถึงส่วนที่ดีสภาพที่กว่าเป็นไปกับความดีของสัตว์ทั้งหลาย น, นี่ก็เรียกเมตตาเกิดขึ้นทีนี้ถามว่าวิธีการฝึกที่จะทําให้เมตตาเกิดขึ้นทํำยังไงยกตัวอย่า ง, กกางเช่นว่าเมตตา การทำออกมาทางกายพูดออกมาทางวาจาและคิดทางใจเนี่ยที่มีเมตตาเป็นตัวผลักดันขับเคลื่อนเอายกตัวอย่างเช่นเวลาเราอยู่บ้านกับแม่กับพ่อกับเพื่อนกับพี่กับน้องในขณะต่อหน้าเขาเนี่ยถ้าเราเมตตากายกรรมต่อหน้าเราก็ทําอะไรเช่นเราปัดกวาดเช็ดโถหุงข้าวดูแลประครบประงมแต่ในขณะที่เราทําไปเนี่ยใจเราก็มีความรักปรารถนาดีอยากจะให้แม่ได้เสื้อผ้าที่ดีๆ จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยากให้แม่ได้ที่อยู่ที่ดีๆได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยากให้แม่มีอาหารที่ดีๆก็ต้องการให้แม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีๆแล้วก็ไปทําดําเนินการกระทําต่อหน้าในขณะที่ทําไปใจดีก็เกิดขึ้นจิตปรารถนาดีก็เกิดขึ้นรักปรารถนาดีก็เกิดขึ้นก็ผลักดันให้การกระทําเกิดขึ้นอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเมตตากายกรรมคือคิดที่เป็นเมตตาแล้วก็ผลักการกระทําออกมา ไม่ใช่แค่นั้นต่อหน้าแม่ต่อหน้าพ่อก็พูดแม่พูดด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีด้วยความเอื้อทอดในขณะที่พูดออกไปก็คือบอกแม่รักแม่นะแม่เอาของนี้ไหมแม่ทําอย่างนี้ไหมเป็นต้นเหล่าเนี้ยในขณะที่พูดไปด้วยแล้วก็ใจที่เป็นไปกับเมตตาไปด้วยลักษณะอย่างนี้เ้าเรียกเมตตาวิาจีกรรมกระทําต่อหน้าถ้ารับหลังไง เออถ้าต่อหน้าทางด้านใจก็คือมองหน้าแม่มองหน้าพ่อมองหน้าคนที่เรารักนี่แหละแล้วก็ทําใจดีเมตตาปรารถนาดีมองได้ปิยะจักสุก็คือมองแล้วก็มีความคิดปรารถนาดีว่าขอให้แม่มีความสุขมีอายุยืนขอให้แม่สุขกายสุขใจและปลอดภัยนะขอให้พ่อสุขกายสุขใจและปลอดภัยขอให้พี่สุขกายสุขใจและปลอดภัยมีความสุขปรารถนาสิ่งใดให้สมปรารถนา ที่มองแล้วก็มีเมตตาผ่านมาจากแววตาแล้วเพ่งมองแล้วก็มีความรักปรารถนาดีเกิดขึ้นอันนี้เรียกเมตตามโนกรรมนี่ต่อหน้าเลยนะถ้ารับหลังอ่ะทำยังไงถ้ารับหลังก็คือว่าถ้าเป็นเมตตากายกรรมก็คือกระทำปาดกวาดเช็ดถูอันนี้เป็นห้องนอนของแม่นี้เป็นบ้านของแม่เราจะเตรียมอาหารไวใ้ให้แม่เราจะเช็ดห้องให้สะอาดให้แม่เราจะซักผ้าดีๆให้แม่เราจะเตรียมสิ่งของดีๆให้กับแม่เครื่องนุ่งห่มยาอาหารเป็นต้น และในขณะที่ทํารับหลังก็ทำได้ใจรักปรารถนาดีเอื้อทอนหรือบางทีก็พานาสิ่งดีๆนะบอกกับคนอื่นว่าในรักแม่มากอยากให้แม่มีความสุขนี่ก็เมตตาวิจิกรรมรับหลังหรือไปนั่งอยู่คนเดียวอาจจะนั่งสมาธินั่งสงบสง บ, สงบแล้วก็คิดถึงแม่คิดถึงพ่อคิดถึงบุคคลอันเป็นที่รักเป็นต้นแล้วก็แผ่ไม่ตีจิตมีความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนนี้เกิดขึ้นเนี่ย ลาถนาให้แม่มีความสุขมีอายุยืนลักษณะนี้เขาเรียกเมตตามนโนกรรมรับหลังแต่ทั้งหมดเนี่ยคนที่จะเมตตาคนอื่นได้ต้องรู้จักรู้จักสภาพใจที่มันนุ่มนวลอ่อนโยนเบาโปร่งโล่งแล้วก็รู้จักรักตัวเองเป็นก่อนนะการที่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เพียงหลายเป็นต้นหลไรเนี้ยมันเป็นแค่เพียงเป็นอุปกรณ์ข้างนอกเป็นตัวสื่อเป็นช่องทางเดินให้จิตคิด แต่ถ้าใครทําจิตให้เป็นเมตตาไม่ได้การคิดไปมันก็ไม่เกิดฉะนั้นจึงต้องฝึกวิธีการไปฝึกไปลงมือทําทั้งหลายจากการกระทด้ี่เมตตาพูดด้วยเมตตาหรือคิดด้วยเมตตานั้นเป็นการฝึกที่ทําให้เมตตาเกิดขึ้นได้จริงนี่เป็นต้นฉะนั้นทางกรุณาก็ในลักษณะเดียวกันว่าเเราเราเมตตาตนเองไหมยอย่างที่ได้กล่าไวไปแล้วเรารักตนเองไหมคนที่จะทําให้เมตตาเกิดขึ้นมาได้ต้องมีองค์ประกอบค่อนข้างเยอะเ ช, ช่นมีฉันทามีใจรัก แล้วเห็นว่าเมตตาในดีจริงๆกรุณาดีจริงๆมุทิตาและเบขาดีจริงๆเพอะมีใจรักอย่างนี้ขึ้นมาก็ภาคเพียรในการที่จะฝึกฝนพัฒนาให้เมตตากรุณาเป็นต้นให้เกิดขึ้นอย่างนี้ยกตัวอย่างครั้งหนึ่งแล้วเมตตาตัวเองเพราะเห็นอะไรเห็นจุดเด่นของตนเองในยามปกติก็เมตตารักป ร, รารถนาดีกับตนเองทําไมเราต้องรักษาตี์ที่เราไม่ฆ่าสัตว์ เราปราถนาให้สัตว์มีความสุขและอายุยืนทั้งหลายนี้เพราะเรารักตนเองเราไม่อยากเบียดเบียนตนเองไม่อยากประทุษร้ายตนเองณปัจจุบันและในอนาคตด้วยโดยเฉพาะก็คือจิตที่คิดจะฆ่าประทุษร้ายจิตของตอนเองถ้าทําการฆ่าสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าทำความเพียนเพื่อฆ่าสัตว์นั้นตายลงเพราะความเพี้ยนนี้ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกไม่เมตตาตัวเองด้วยจิตคิดประทุษร้ายตนอื่นด้วยเพราะเราเมตตาตนเองเราจึงไม่ใช้กายนี้ใช้อัตภาพนี้เป็นรัก ทราบไปรกงคนอื่นเพราะเรารักตนเองเราจึงไม่ใช้อัตภาพนี้ไปประพฤติผิดในการมเพราะเรารักตนเองนี่แหละเราใช้วาจากล่าวแต่คําจริงคําที่เป็นประโยชน์ผู้ถูกการพูดด้วยเมตตาเป็นต้นเพราะเรารักตนเองจึงไม่เอาของมึนเมาทั้งหลายสิ่งเสพติดทั้งหลายใส่ไปในกระแสชีวิตเพราะเป็นเหตุถึงการประทุษร้ายสติสัพพัญญาตนเองฉะนั้นคนที่รักตนเองเนี่ยจึงมีทั้งกายกรรมก็คื อ, ค อ, คอการทํากรรมเนี่ยที่ไม่ ม, ไ ม, ไ ม, ไมีไม่เป็นกรร ม, มะกิเลส ไม่เอากายไปฆ่าเขาไม่เอากายไปรักไม่เอากายไปเพื่อพิธีกรรมไม่ใช้วาจาไปกล่าวเทศส่อเสียดคําหยาบและเพอ้อเจ้ออย่างนี้เป็นต้นฉนั้นทั้งกายกรรมวจีกรรมก็เลยกลายเป็นกายสะอาดวาจาสะอาดทีนี้ทางด้านจิตใจจิตใจของการที่เรารักตนเองเราก็อยากให้ใจหนึ่งไม่มีอคติเนาะการที่เราจะไปปฏิบัติต่อพ่อแม่ปู่ตายายยายและญาติมิตรเพื่อนฝูงทั้งหลายเหล่านี้ให้ถูกต้องนั้นต้องละฉันทะคติลำเอียงพะรัก ลำเอียงพอลักเนี่ยมันเป็นตัวอคติถ้าเกิดมีฉันทากติแล้วเนี่ยลำเอียงพอลักขึ้นมาการปฏิบัติต่อไปก็จะเอียงกระเทเลยสองโทสาคติลำเอียงเพราะกลัวคำว่ากลัวในที่นี้คือการโกรธก็ได้ชังก็ได้ไม่ชอบเนี่ยกลัวไม่ชอบโกรธก็เลยมีจิตคิดประทุษร้ายก็เลยเกิดลำเอียงขึ้นมาการลำเอียงในข้อนี้ก็คือเราอยากอยากให้เขาเราพอลำเอียงเพราะชัง โทสะโทสะเกิดขึ้นตนัวนี้ให้สังเกตดูนะไอ้โทสะที่ชังเพราะโกรธเพราะโกรธเพราะไม่พอใจคิดประทุษร้าอย่างนี้จะให้เขาจะทําอะไรกับเขาแทนที่จะให้เขาเต็มที่ก็ไม่ให้เพราะโกรธเพราะชังเขาเนี่ยโมหะคติลําเอียงเพราะหลงโมหะเด่นขาดปัญญาไม่พิจารณาแยกแยะส่วนพยาคติลําเอียงเพราะกลัวคําว่ากลัวเนี่ยหลายคนถามมาว่าไอ้โทสาคติกับพยาคติเนี่ย มันต่างกันยังไงมันเป็นตระกูลโทสะเหมือนกันนะชังโกรธนะชังโกรธโกรธกับกลัวเนี่ยกลัวอันตรายกลัวภัยกลัวเขาทําร้ายเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยไอ้ความกลัวเนี่ยมันขาดเมตตาขาดปัญญาเนี่ยกลัวกลัวว่าไม่ทําอย่างนี้เรากลัวเขาว่ากลัวเขาด่ากลัวเขาตำหนิกลัวว่าเขาจะมองว่าเราไม่ดีเนี่ยลักษณะนี้ก็เรียกกลัว คำว่ากลัวก็คือพยศัพท์นั้นแปลว่าภัยกลัวอุทกภัยกลัววาตภัยอคีภัยกลัวน้ําท่วมไฟไหม้กลัวโรคระบาดอย่างทั้งวันเนี่ยทุกวันเนี่ยเวลาเกิดกลัวขึ้นมาเกิดพยาคติบางทีก็กลัวแม่จะเป็นอย่างนู้นกลัวคนอื่นจะเป็นอย่างนี้เป็นต้นเพราะกลัวขึ้นมาก็เกิดอาคติในการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เป็นต้นก็คือกลัวภัยนั่นเองสรุปคืออาคติเหล่าเนี้ยเป็น เหตุผลจริงๆก็ขาดขาดเมตตาเออไม่ใช่ขาดอุเบกขาชัดคือขาดอุเบกขาทีนี้เอาละ <c oughs> พูดถึงตรงนี้พอจะเข้าใจพอสมควรแล้วแต่นี้จะพูดถึงในเรื่องของการที่ว่าในพระตรีพิตกอัตถคถาในตามคมภีร์ต่างๆนิดนึงเวลายังพอมีนิดนึงเอามาจะไม่พูดรีบจนเกินไปเนะ่อรีบเกินไปเนี่ยมีคนมงคลติงมาบอกว่าท่านอาจารย์พูดเร็วเกินไป พอเร็วเกินไปขึ้นมาก็คือลกหรือ ค, ค, คล้ายๆว่าลนปุ๊บๆๆ๊ที่จริงที่เป็นอย่า ง, งานั้นเพราะอะไ ร, รไมข้อมูลเยอะแล้วอยากจะให้รู้เยอะๆวันนี้ฉันทะปรารถนาอยากให้ ร, รู้เยอะๆก็เล ย, ยรีบรีบจะพูดเร็วๆคือ <c ười> ต้องการอยากจะยกตัวอย่างในพระไตรปิฎกอักถาเนีในคำพิยตางพุทธศาสนาแล้วก็ยกเหตุการณ์ปัจจุบันมาเปรียบเทียบบ้างเนาะเมตตาคือความรักความปรารถนาดี ความเอื้อทอนที่มันแสดงออกมาจากการที่เวลาปฏิบัติต่อคนอื่นเนี่ยฉะนั้นพอมีเมตตาเกิดขึ้นมาขับเคลื่อนออกมาสู่ความเป็นสังขาวัตถุให้โดยเมตตาให้ด้วยด้วยความรักปรารถนาดีพูด ด, พ ด, ดด้วยเมตตาพูดด้วยความรักปรารถนาดีเอื้อทอนประพฤติประโยชน์ด้วยเมตตาเป็นต้นเหล่านี้ในครั้งพุทธกาลเนี่ยจะเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเนาะเรื่องปุพกรรมของท่านพระสิวลี พระศิววรีที่ท่านมีลาบสกายะละเยอะเท่งไหร่เยอะมากในอดีตเนี่ยท่านขาดขาดเมตตาตอนนั้นท่านเกิดในราชตระกูลต่อมาพระบิดาสวรรคตแล้วเนี่ยท่านก็ขึ้นเป็นพระราชาทีนี้พอขึ้นเป็นพระราชาแล้วเนี่ยมีอำนาจมากมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือส่งกองกำลังของทหารไปล้อมเมือง ไปล้อมเมืองหนึ่งก็คือจะไปยึดเมืองก็ทีนี้ในขณะที่ส่งกองกําลังทหารไปตอนนั้นนะ่ะพระชนณนีก็คือแม่ก็เห็นดีด้วยร่วมวางแผนกันด้วยให้จัดการโอ้แย่มากเลยตอนนั้นในอดีตชาตินะก็ส่งกองกําลังไปล้อมเขาอยู่เจ็ดปีแล้วก็ต่อได้เจ็ดเดือนนะทีนี้เอ๊ะทํำยังไงก็ขเขาก็ไม่ ไม่สามารถที่จะยึดเมืองนั้นได้แล้วเขาต้องมไม่อดกันใช่ไหมประชาชนน่าจะอดกันประเทศน่าจะไป ท, ทั้งทั้งที่ส่งกองกำลังล้อมปิดทุกด้านแล้วเนี่ยแม่ก็เลยบอกว่าลองไปให้ทหารไปสืบดูที่ว่ามันจะต้องมีช่องหรือทางที่ออกมาแสวงหาอาหารข้างนอกได้แน่นอนประเทศนี้ถึงล้อมเสียกําลังเสียไพ่พลมาขนาดนี้ว่างั้นไปไปมาก็เลยไปสืบคน่นแล้วก็ไปเห็นช่องทางที่เขาขุดลงมาดินแล้วไปโผล่อีกทีหนึง ก็เลยปิดช่องทางนั้นเลยประชาชนในเมืองนั้นก็พากันอดทรมานอีกเจ็ดวั น, นแล้วก็เลยไปไปบงังคับพระราชาในเมืองนั้นได้ยอมแพ้ก็เลยจับได้เนี่ยแล้วก็ยึดเมืองนั้นได้ได้กรำตัวเนี้โอ้ยตกนรกกันสนุกเลยสนุกสนุกตกนรกนะี่ยทีนี้มาเกิดในอัตภาพเนี้พระนางสุปวาสาตั้งครรภ์ พอตั้งคันมาพระสิวลีที่อดีตอดีตอดี ต, ดตพระราชาเนี่ยก็มายืนมาเกิดร่วมกันมาอยู่ในครันย้อนคิดดูดิคนท้องเจ็ดปีเจ็ดเดือนเนี่ยคันหลงอีกเจ็ดวันโอ้ยทรมานทั้งเด็กที่อยู่ในท้องทั้งทั้งแม่ทรมานมากเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยยนมีอยู่วันหนึ่งก็คือว่าบอกให้กับพระราชาที่เป็นเอบอกให้กับไอ้สามี ให้ไปเฝ้าพระเจ้าว่าทรมานเหลือเกินในครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ว่ากรรมของเธอหมดกำลังลงแล้วก็แผ่เมตตาจิตมาในบัดดลที่แผ่เมตตาจิตมานั่นแหละเธอก็คลอดได้อย่างปลอดภัยแล้วก็นิมนต์พระไปวันนั้นด้วยคิดดูเด็กเกิดมาเจ็ดขวบเด็กเกิดมาเจ็ดขวบเดินได้ถวายอาหารพระได้ โอ้โเออทีนี้แล้วก็ได้บวชวันนัน้นนั้นเวลาจะพูดเรื่องตอนที่จะพูดเรื่องสังสารวัฏพูดเรื่องความทุกข์ไม่ต้องบอกคมแล้วว่านั่นคนที่ประสบปัญหาชีวิตเนี่ยไม่ต้องบอกก็เลยทุกข์มันมันมีสาหัสการขนาดเนี่ยเพียงบอกว่าโอ้โหชาติทุกข์คืออะไรแค่นี้โอ้โหทันทีรู้ทันทีนั้นถ้าพวกเราลองอยู่ในคันกันสักสามปีเดยวจะทรมานกันนั้น อย่างนี้เป็นต้นนี่นี่ขาดขาดเมตตานะนี่คือเสียหายมากถ้าขาดการุณาก็ต้องยกตัวอย่างใครเดียยกตัวอย่างเช่นโกตุฮาริรกกโกตุฮาริกะที่สองสามีภรรยาเล่าแบบคร่าวๆนะสองสามีภรรยาที่เกิดอุทกภัยเกิดทุพภัยข้าวยากมากแพงก็เกิดสองสามีภรรยาอุ้มลูกเดินทางกันดาน ในขณะที่อุ้มลูกไปเนี่ยก็เกิดทรมานมากตัวเองข้าวปลาอาหารหมดแล้วเนี่ยไปไปมาเนี่ยสามีอยากจะทิ้งลูกตจำทนไม่ไหวแล้วมันเกิดคิดอยากจะเบียดเบียนแล้วกรุณาไม่มีแล้วเห็นไหมว่ากรุณาในใจไม่อยากจะเบียดเบียนอยากจะวางอยากจะปล่อยทั้งๆ้งที่จะรับลูกไม่รักแต่พอมเหนื่อยขึ้นมามันทรมานขึ้นมามันเอาตนเองก่อนนะมนุษย์เราเนี่นี่มันเป็นอย่างนี้นะเราไม่เจอปัญหาชีวิตคงไม่ย่ แต่กรณีที่เอ้าถ้ามีคนจะมาฆ่าเราหรือเกิดปัญหาชีวิตขึ้นมาที่เราเดินทางไกลแล้วมันอดมากทรมานมากถามว่าเราอยากจะทิ้งใครเราอยากให้ตาใครตายนไปไปมาเนี่ยพ่อเนี่ยก็แอบเอาลูกไปวางไว้แล้วก็เดินแซงเดินตามแม่ไปไปๆมาผู้หญิงก็เป็นคนห่วงลูกก็ถามว่าเอ้าแล้วเด็กไปไหนโอ้โหเขบอกว่าไปทิ้งไว้ที่พุ่มไม้นั่น รีบวิ่งไปดูที่เด็กก็ตายอย่างนี้เนี่ยด้บาปรกรรมตัวนี้ทั้งๆที่จเจตนาที่ทิ้งเนี่ยโอ้โหตัวเองต้องถูกถูกฆ่าตั้งเจ็ดครั้งเขาตายแต่ไม่ตายนะแต่ไม่ตายอย่างนี้เป็นต้นนันรายละเอียดไม่ได้เราตรงนี้พูดให้เห็นว่าโทษของการขาดขาดการุณาถ้าขาดมุทิตาก็ต้องยกตัวอย่างใครดียกตัวอย่างเช่นตอนที่อนาถปิณิกาเศรษฐี อาณาถาปินิกาเศรษฐีเนี่ยตอนนั้นเกิดปัญหาเศรษฐกิจเหมือนปัจจุบันนี่แหละนลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจล้มเล้าใช่ไหมคนก็เริ่มยากจนตอนนั้นน่ยในสมัยครั้งพุทธการก็เป็นแบบนี้ตอนสมัยพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ด้วยอนณาถาปินิกาเศรษฐีเนี่ยเกิดภาวะเกิดจนขึ้นมาเลยคําว่าจนไม่ได้จนทั้งหมดนะแต่ยังมีทรัพย์อยู่ที่รมให้ทานอยู่ แต่ก่อนปกติจะให้ทานด้วยอาหารที่ดีๆเลื่ๆเลื่ๆพอฐานะยากจนลงทรับล้นเริ่มเลื่อยหลอลงก็เริ่มให้ทานที่ไม่ค่อยดีสําหรับคนยากจนทั่วๆไปยกเว้นพระภิกษุมีพระเจ้าเป็นต้นเหล่านี้ก็จะให้แต่อาหารดีของดีๆดๆแต่ถ้าคนยากจนทั่วๆไปทั้งหลายก็จะให้ทานข้าวปลายกวยเนบ้างข้าวน้ําต้มผักดองเป็นต้นบ้างเนี่ยเพราะฐนสถานการณ์แย่เงินทองทั้งหลาย ทรัพย์สมบัติลร่อยหรอคนที่กู้ไปก็โกงเลยทั้งหลายหเหล่านี้ภาวะเศรษฐกิจที่ซื้อของไปงต่างๆก็ไม่จ่ายเงินเกิ <c oughs> ดปัญหามากเลยตอนนั้นเดือดร้อนมากแต่ว่าท่านอนาถาพิณิกาเศรษฐีไม่ได้เดือดร้อนเลยทำไมถึงไม่เดือดร้อนรู้ไหมเพราะใจตั้งอยู่ในพรหมวิหารธรรมเข้าใจความจริงของชีวิตเมื่อถึงสถานการณ์ที่จะวางใจเป็นกลางก็สามารถวางใจเป็นกลางได้ เห hmm. ็นกระบวนการการเกิดขึ้นของเหตุปัจจัยดินฟ้าอากาศทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นภาวะเศรษฐกิจมันผันผวนประชากรทั้งหลายเหล่านี้มีโรคภัยระบาดบาดทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็วางท่าทีทางใจเป็นเพราะเป็นคนที่ตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหารธรรมชัดแต่คนที่เป็นลูกน้องเป็นต้นบางคนก็ไม่ได้ที่หนักไปกว่านั้นน่ะมีอยู่ท่านหนึ่งไม่ใช่เป็นมนุษย์โดยเป็นอมนุษย์เป็นเทวดาประจำบ้านเทวดาประจำบ้านก็เครื่อง ทุกใจโมทนาไม่ได้ขาดมือที่ตาเวลานาถาพินทิกาเศรษฐีให้ทานแด่สงมีพระุทธเจ้าเป็นประมุกวาระห้าร้อยห้าร้อยเนี่ยเทวดาก็ห่วงพระรั์ห่วงแทนห่วงแทนเจ้าของบ้านโอโ้โหรับเรื่อยหลอไปเรื่อยเรื่อยเอย เ, อยเคืองมากไปให้ทานทาไมเนี่ยวาระเนี่ยควรจะหยุดการให้ทานทุกชนิดควรจะกินน้อยใช้น้อย ไม่ควรจะแจกทานกับชาวบ้านไปไปมาไอ้ทำยังไงดีวะเนี่ยเริ่มเดือดร้อนเดี๋ยวถ้าขายบ้านใบนี้ไอ้หลังนี้ขึ้นมาแล้วก็ซวยอลไรอยู่เห็นไหมเนะ่ยคนลิศสยามเป็นแบบนี้เนีเพราะไม่เข้าใจความจริงของชีวิตว่าทรัพย์เขามีไว้ทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยหนึ่งเลี้ยงตนให้เป็นสุขใช่ไหมดูแลบุตรหลานญาติมิตรให้เป็นสุขแล้วก็ใช้ทรัพย์ทําความดีคนฉลาดก็จะใช้ทรัพย์เป็นแบ่งเป็นสามส่วนเจ้วนี้ เทวดาเออเทวดากับมุทิตาไม่เป็นพอยินดีไม่เป็นพอพอยินดีไม่เป็นก็เลยคือตอนนั้นใจเป็นยังไงอ้าวทำไมถึงถึงมุทิตาไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมมัชฉริยะก่อนห่วงห่วงถินห่วงที่อยู่ใช่ไหมห่วงอะไรหวงผลประโยชน์หวงพวกพ้องหวงลาบสกาละห่วง แล้วก็เลยลิษยามว่าทําไมต้องเอาอาหารดีๆให้กับพระพุทธเจ้าสาวกพระพุทธเจ้าทําไมต้องเอาอาหารไปให้คนอื่นแล้วต่ อ, อไปถ้าอาหารหมดแล้วจะทํายังไงเนี่ยแล้วไปไปมาพลอยเราก็จะเดือดร้อนด้วยอยากกันนั้นเลยก็เลยไปเลยเทวดาไปทําไงดีตอนเที่ยงคืนก็วุบออกทนไม่ได้แล้วออกมาไปบอกใครไปบอกกับเลขากองนาถพิทิกศกเสฐีบอกท่านเลขาถามทําไม เราเป็นเทวดาประจำบ้านนี้นะช่วยไปบอกท่านเศรษฐีหน่อยให้ทานเกินก่อเหตุสถานการณ์เกิดภัยพิบัติขนาดนี้เกิดสถานการณ์แบบนี้ทำไมไม่ไม่ประหยัดควรประกาศยุติการให้ทานกินน้อยใช้น้อยต้องร้อยสถานการณ์ดีๆก่อนที่เนี่ยไม่ฉลาดเลยโง่จังนี่นะส่วนเล ข, ข้าก็บอกว่า ฉันไม่ทำหรอกท่านไปบอกเองนอกจากไม่ทำแล้วเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเจ้านายจะเอาฉันเนี่ยเอาข้าพระเจ้าเนี่ยไปเป็นลูกจ้างใครไปเป็นลูกน้องใครเอาไปขายยังไงก็ยังยอมเลยโห oh, เทวดาผิดหวังเอาเป็นตั้งลูกพี่ลูกน้อง <laughs> เป็นทั้งเจ้านายลูกน้อง <laughs> ทำไงต่อเอาละไปหาเศรษฐีเองเลย พอไปถึงเศรษฐีปุ๊บก็ไปแปงกายขึ้นมาบอกว่าท่านเศรษฐีท่านให้ทานเกินเหตุใครเนี่ยเศรษฐีถามใครเราเป็นเทวดาประจําอยู่ที่ซุ้มประตูนในบ้านของท่านนี่แหละท่านให้ทานเกินก่นเหตุวันหนึ่งให้ทานสงที่มีพระเจ้าเป็นบรมวกศวันตั้งห้าร้อยหกร้อยสถานการณ์แบบเนี้ยท่านไปให้ทานอย่างนี้ได้ยังไงท่านว่าไงนะ เตตีต่วาท่านว่าไงนะบอกท่านให้ทานเกินกว่าเหตุควรหยุดให้ทานในสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติแบบนี้ท่านว่าไงนะท่านน่ะให้ทานเกินกว่าเหตุให้หยุดให้ทานได้แล้วกัสสมนาศีษะลน้นเป็นต้นไม่ควรไปเอื้อถอนแล้วพระพธแกนนันชี้เลยไปนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ออกจากบ้านหลังนี้โอ้โหด้วยอำนาจของเจ้าของบ้าน พอไล่อย่างนั้นปุ๊บเทวดาอยู่ไม่ได้เลยหูวิ่งพโอ๊ยขอทักโทษเขาไม่เอาไล่ไปเลยอันนี้เป็นเรื่องชี้เห็นนะโยมนะว่าบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นใหญ่สามารถไล่เทวดาออกจากบ้านได้ <c oughs> แต่ต้งคมไทยเนี่ยกลัวเลยเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมเราไม่กลัวเรากลัวเทวดาประจำบ้านนะที่จริงเทวดาที่ประจำบ้านเป็นผู้อาศัย เพราะว่า น, นี้เป็นภบมนุษย์เป็นภบของมนุษย์เขาดูอะไรอ่ะว่าเราเป็นเจ้าของเขาดูนโฉนดที่ดินปัจจุบันเขาจะมีตาครุฑตาอะไรในโฉนดที่ดินโดยนั้นแหละชื่อใครคนนั้นเป็นเจ้าของบ้านมันเป็นใหญ่ในบ้านนั้นอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้เทวดาก็ต้องเกรงใจแต่เราเนี่ยไปวิปริตผิดเพี้ยนก็ไปบูชาเทวดากันจนกลัวเทวดาไปเล ย, ยนี่เป็นตนเนี่ยเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นแล้วแล้วต่อมาเทวดาก็เดือดร้อน ไปหาเทวดาผู้ใหญ่ไล่ไปตามระดับจนไปเฝ้าเท้าส ก, กะัะบอกโอ้โหไม่มีที่อยู่แล้วโดนไล่แล้วเทวดาผู้ใหญ่ก็บอกยุ่งเลยทำไมไม่มโนธะนาไปริษยาได้ยังไงเจริญพรหมวิหารผิดข้อบาปให้ผลวาระ น, นี้ควรจเจริญมุทิตาต้องพลอยยินดีเพราะเขากำลังทำดีจำไว้แล้วข่านมุทิตานี่เราเนี่ย เขาทําดีก็ เ, เจริญกุศลมั่นคงในประตนาไตรก็ไม่หวั่นไหวไม่สะทกสตางไปทํางนี้ได้ยังไงก็ถามว่าเออผมจะทํายังไงอ๋อก็ไปช่วยเขาที่เบื้องโทษก็มีวิธีเดียวทยํายังไงให้การค้าเขาเจริญขึ้น อ, อผมจะทํายังไงล่ะก็ดูดีคนที่ไปติดหนี้ติดสินที่ไปโกงอ่ะไปโกงท่านเศรษฐีอนาถานพิธิกาเศรษฐีอ่ะก็ไปเข้าเขาก็ได้นี่ <laughs> ไปกาวสิงก็เอาเงินไปใช้เขาหรือไม่อย่างนั้นก็ธุรกิจทั้งหลายเหล่าเนี้ยที่กระทําไปทั้งหลายเหล่าเนี้ทรัพย์สมบัติก็มี ม, ม, มีมีอนุภาพอยู่แล้วไม่ได้เปื้องโทษแล้วเทวดาตัวเนี้ยช่วยเองจริงทาให้ภาวะเศรษฐกิจกลับคืนขึ้นมาได้เศรษฐีฟื้นขึ้นมาได้เพราะเทวดาช่วยที่สุดจริงเศรษฐีบอกอ้ า, อางั้นก็ไปอยู่ที่เดิมซุ่มประตูบ้าน ในสมัยโบราณสมัยก่อนก็ไม่สร้างเขาไม่ได้สร้างไอตัวอะไรเรียกอะไรเนะี่ยเขาเรียกว่าสารพ่อภูมิปัจจุบันชาวบ้านนิยมสร้างสารพ่อภูมิเยอะแต่ก่อนมันาไม่สร้างหรอกเขาเทวดาอยากจะเลือกอยู่ที่ไหนก็เลือกแค่อยู่อย่างเป็นมิตรกันรักปรารถนาดีเ อ, อื้ออนต่อการเกือเก้อกูลช่วยเหลือกันเวลาทําความดีก็โมโนธรรกันอย่าทำํำริษยาแบบนี้อย่าทํานิสัยไม่ดีแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นออสถานการณ์ลักษณะแบบนี้เห็นไหมว่า อันนาาีะท่พินิการเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวอยา่างที่ดีที่สุดถ้าเราจะพูดทีน่นี้โทษของการขาดมุทิตาเท่าเบรคขาจะยกตัวอย่างใครดีเอานี้ยกย ก, ยกตัวอย่างนี้ก่อนก็ดีจะได้เห็นชัดเอานางปตาจรลานางปตาจราเสียลีเนี่ยนี่เคยเล่าบ่อยหลายครั้งยอมอาจจะเคยได้ยินบ้างแล้วแต่จะเล่าแบบสรุปนะนางปต a j าเนี่ยเป็นที่ดาของเศรษฐีในกรุงสาวิตี ทีนี้นางปต a จ a ลาเนี่ยเป็นหญิงสาวสวยเป็นเด็กลูกสาวคนเดียวของพ่อแม่แล้วก็มีพี่ชายด้วยตอมาไปรักกับคนใช้ได้ความรักเนี่ยอย่างว่าวรักกันกันมาแล้วพ่อแม่ไม่ให้แต่งแน่นอนก็เลยหนีด้วยกันหนีไปนี่เห็นไหมหนีไปแล้วยอมลำบากพอไปอยู่กันแล้วก็ไปมีลูกเนี่ยแหละพอไปมีลูกแล้วแต่เนี่ย มีลูกคนแรกโอคิดถึงแม่มากอยากจะมาเอา้าคลอดก่อนไม่ได้มาแล้วพอมีลูกคนที่สองพอตั้งครรภ์ น, นี่แหละก็เหนียวล้างให้สามีพาไปหาพ่อแม่เรามีสกีพยานแล้วพ่อแม่คงอภัยให้เป็นต้นเนี่ยก็เลยมีแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าพาเดินลัดป่าแล้วต่อมาก็ไปคลอดกลางป่าในวันที่ฝนตกพายุใหญ่นี่แหละในระหว่างที่คลอดเนี่ยฝนตกแล้วก็สามีก็ไปหาอุปกรณ์ที่จะมาทาคลอด พอเดินไปได้หน่อยก็เลยไปถูกงูกัดตายพอสามีไม่มาตัวเองก็เลยคลอดเองคลอดเสร็จแล้วก็ทำคลอดเองไรเบ็ดเสร็จดีนะที่มีความรู้ในเรื่องนี้แล้วก็กกลูกทัลูกทั้งคืนเหมือนแม่ไก่กกไข่ยอย่างนั้นทั้งลูกคนโตและลูกคนเล็กพอตื่นพอสว่างขึ้นมาฝนหยุดตกก็เห็นสามีนอนตายใกล้ๆจอมปวกโอ้โหความโศก ไหนจะลูกคนเล็กไหนจะลูกคนโตอุ้มลูกคนเล็กจูงลูกคนโตเนี่ยทรมานมากทรมานมากเดินผ่านป่ามาแล้วก็เจอแม่น้ําก็เลยเอบอกลูกคนโตให้รอฝั่งนี้ตนเองก็อุ้มลูกคนเล็กเดินลุยน้ําไปแค่อกก็เลูกไปวางอีกฝั่งหนึ่งเอาใบตองวางไว้แดงๆยังตัวแดงๆอยู่เลยแล้วกลับมาเยรมาะแล้วลูกคนโตเนี่ย ในระหว่างทางในระหว่างกลางคลองเนี่ยก็มีเหยื่อมาเฉียวลูกคนเล็กไปใช่ไหมทั้งที่ได้กล่านางก็ร้องเรียกลูกคนโตก็นึก็เรียกเลยโดดลงเมในน้ําสรุปก็ตายไปเลยเนี่ยโอ้โกระเซืร์กระเซิงเลยแต่เนี้ ย, ยกระเซอิอ์กระเซิงทั้งเครียดทั้งโกรธทั้งทุกข์ทั้งทรมานใจทั้งกลัววิตกกังวลเดินผาลัดป่าไม่ได้ก็มาถึงเมืองออกนอกออกมาสู่เมืองได้ก็ไปถามชาว บ, บ้านเขา ว่าบ้านพอ่อบ้านแม่ไปทั้งไหนจำไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่าเศรษฐีชื่ออะไรก็บอกชื่อไปก็บอกเมื่อคืนเนี่ยฝนตกไม่รู้หรือพายุใหญ่ไม่รู้หรือบอกรู้ฝนก็ดีพายุก็ดีเนี่ยไม่ใช่ตกเพื่อคนอื่นเลยไม่ใช่ตกเพื่อปะทุสลายคนอื่นเลยปะทุสลายฉันโดยเฉพาะทำไมฉันจะไม่รู้ว่ ง, งั้นเนี่ยเนี่ยทรมานมากไปไปมาก็ว่าเนี่ยเมื่อคืนพายุใหญ่ลมพายุพัด ปราศาสตร์ของท่านเศรษฐีล้มตายกันทั้งบ้านเลยเศรษฐีก็ตายภรรยาก็ตายลูกชายก็ตายพอพูดแค่นี้วุบเลยเครียดจัดไม่ใช่อะไรทมนัทไม่ใช่โสกกาปริเทวทุกขโทมนัส่าอุปายาตนี่อุปายาตเนี่ยหมดแรงเลยปึ๊ดลงไปเลย เหมือนกันน้ํามันที่มันเดือดแล้วมันหดแล้วก็เหลือแต่กระทะแห้งไปเลยอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> เอาภาพันทีนี้ทีนี้พออย่างนี้เสร็จแล้วตอนนี้ก็เธอก็เป็นบ้าไปเลยการที่เธอเป็นบ้าเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมอยู่เหตุที่เป็นบ้าเนี่ยก็เพราะว่าขาดอะไรเนี่ยาขาดอะไร ขาสติสมัมปชัญญะขาดอุเบกขาขาดอุเบกขาไม่ได้พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนใช่ไหมล่ะถ้าพิจารณาว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพระาพาจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นเรามีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ต้องรับผลของกรรมนั้น ถ้าวางใจเป็นกลางไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะทานมีปัญญาไปพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงวัตสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนเป็นอย่างนี้ทีนี้โอ้ทอมานัตกินเป็นกรุณาเทียมไม่พอเป็นโสกะความโศกปริเทวะบ่นเพอทอมานัสสาแล้วก็อุปายาสก็หมดแรงไปเข้ามาเข้ากบ่นเพอร้องร้องไปนี่ขาดอุเบกขาขาดอุเบกขาวางใจไม่ได้หลายๆคนก็เป็นนะ ปัจจุบันถ้าเจอปัญหาชีวิตเนี่ยต้องระวังนะว่าพระมิหารเดินไม่เป็นควรจะวางใจอยู่ที่เวขาก็ไม่วางก็จะเป็นเหมือนนางแต่ดีนะดีนะว่านางได้เจอพระบรมครูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระดับเอกบุรุษของโลกใช่พระเจ้าก็ใช้พลังของพระเมตตาพระกรุณาทั้งหลายรือนี้เป็นต้นแผ่กรุณาแผ่เมตตาจิตให้นางเดินมาทางที่พระองค์อยู่ได้ แล้วในส่วนจริงก็เตือนให้ตั้งสติดูก่อนปตาจลาเธอจงกลับมีสติขึ้นมาเถิดเนี่ยพอพระสุรเสียงของพระเจ้าเนี่ยไปกระทบที่โสาาาตประสาทประชุมลงสู่ในใจเธอเธอก็ได้สติขึ้นมาหายจากความเป็นบ้าเลยแล้วก็ก้มลงกราบพระบาทของพระบรมศาสดาบค้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอพระองค์เป็นที่พึ่งให้ข้าพระองค์ด้วย สามีก็ตายในป่าเปียวลูกคนเล็กก็ถูกเหยียวเฉียวไปลูกคนโตก็จมน้ำตายพ่อแม่พี่ชายก็ถูกเผาที่เชิงตะกอนหมดที่พึ่งแล้วเห็นไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนปตาจลาแตถาคตบ่มเพนบา ร, รมีมายี่สิบประสงค์ไก่ยิ่งด้วยแสนมาหมากับก็เพื่อจะมานุเคราะห์เธอนี่แหละหรือบุคคลเช่นเธอนี่แหละ ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเวลาประสบความโศก ค, ความร่ําไรลําพันธุ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจแล้วให้เราท่านทั้งหลายคิดถึงพระบรมกรูคิดถึงพระสัมมาสัสม พ, พุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระพุทธเจ้าถึงพร้อมได้วิชา 8. จันะสิห้เป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสาร ถ, ถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้เราละลึกถึงพระพุทธเจ้า แล้วให้มั่นใจว่าให้มีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วก็เข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้แล้วก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้แล้วก็เงียโสดลงสดับตั้งจิตรับรู้ตั้งใจฟังด้วยความเคารพเมื่อตั้งใจได้ฟังด้วยความเคารพแล้วทำกุศลแลฉันทะทำใจรักให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดฉันทะแล้วก็จะได้เกิดอุตสาหะ เมื่อกระุษาหาก็จะได้ตั้งความแกลลาคือความเพียรจากความเพียรจะได้มีสติกำกับอยู่กับตัวเมื่อมีสติระลึกได้จับได้อยู่กับตัวแล้วจะได้มีความตั้งมั่นแห่งจิตจากความตั้งมั่นแห่งจิตจะได้เป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาจะได้เข้าไปรู้เห็นเหตุและผลนะปัญญาระดับเหตุผลจะได้เกิดขึ้นเมื่อได้ปัญญาระดับเหตุผลเกิดขึ้นมาแล้วเห็นว่าเนี่ยเมตตามีประโยชน์มาก เราจะทำเมตตาความรักปรารถนาดีเกิดขึ้นในตนนี่ได้เราจะทำกรุณาให้เกิดขึ้นในตนนี่ได้เราจะทำมุทิตาพอยินดีเกิดขึ้นในตนและเราจะทำอุเบกขาความวางใจเป็นกลางรักษาธรรมะรักษาความถูกต้องดีงามให้เกิดขึ้นกับตนเองใได้ถ้าในอัตภาพนี้เราไม่สามารถนำพาพรหมวิหารธรรมมีเมตตาเป็นตน้นมาเป็นธรรมะประจําใจใเกิดขึ้นมาได้เราจะวิบัติแน่นอนและไม่ใช่แค่นั้น เมื่อได้เมตตากรุณามุติตาอเวขาเกิดขึ้นในตนแล้วเนี่ยให้สังเกตว่าเมตตาเกิดขึ้นจะทําลายโทสะได้และในขณะเดียวกันก็คือไม่มีราคะเป็นตัวกุ้มรุมกรุณาเกิดขึ้นก็ทําลายวิหิงสาความคิดเบียดเบียนแล้วก็ไม่เป็นกรุณาเทียมไม่เป็นโทมานต์บุติตาเกิดขึ้นก็ทําลายลิษยาและจะไม่เป็นโสมาัตในเรื่องที่เกินเลยอุเวขาเกิดขึ้นก็จะทําลายอภิชายินดียินร้าย และในขณะเดียวกันเป็นอุเบกขาแท้ไม่เป็นอัญญาโุเปกขาถึงเป็นการเฉยและโง่ไม่รู้เรื่องถึงจะได้เป็นมชิมาปฏิวัฒนมีปัญญามาตักํากับมาดําเนินชีวิตได้อย่างแท้จริงทีนี้เอาละพอเมตตาเกิดขึ้นก็ผักขับเน้นไปสู่ตัวสังขาวัตถุในสังขาวัตถุเนี่ยที่จะเป็นไปในลักษณะของทานการให้ปิยาวาจาการกล่าวเวจวาจาไพล้ออัตจริยาการบรุงพุทธประโยชน์สมานัตตาการวางตนที่เหมาะสม ทีนี้การที่เราจะประพฤติปฏิบัติสู่การที่จะประชุมสู่ทิศทั้งทิศทั้งหกนะฉะนั้นการที่เราสามารถเจริญพรหมหารได้จริงและผักออกมาเป็นการประพฤติสังคหาวัตถุได้จริงและโดยเฉพาะเมื่อเราชำระตนเองเมื่อใจมีเมตตากรุณามุมตตาเวขาแล้ว การปฏิบัติออกมาการขับเน้นออกมาก็เป็นผู้มีศีลในะอย่างแท้จริงฉะนั้นการเป็นผู้มีศีลเนะี่ยงดเว้นจากการฆ่าใจที่เป็นไปกับกรุณาเมตตางดเว้นจากการลักจิตคิดจะให้และแบ่งปันงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามปรารถนาให้หมูสัตว์ทั้งหลายสมัครสมานสามคัคคีและงดเว้นจากการกล่าวเทศสอเสียดคำหยาเพ้อเจอ้อทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นมีพูดคําจริงเป็นต้นกายก็สะอาด วาจาก็สะอาดนี่กายวาจาใจสะอาดแล้วไม่พอก็ขจัดอคติด้วยฉันทาคติโทสาคติโมหคติพยาคติให้ลเอียงเพราะรักลาเอียงเพราะโกรธแล้วเพราะชังลาเอียงเพราะหลงและลาเอียงเพราะกลัวเนี่ยเมื่ออคติเมื่ออคติออกได้ออกจากใจได้แล้วเนี้ยก็แปลว่าเป็นบุคคลที่ มีทั้งชําระตนเองให้สะอาดพฤติกรรมทางกายทางวาจาสะอาดชําระใจตนเองให้สะอาดเพราะไม่มีอคติแล้วกายวาจาใจก็เลยสะอาดนอกนั้นไม่พอเป็นผู้ฉลาดด้วยฉลาดก็คือไม่ไปเกี่ยวข้องกัอาบอบยมุกไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ําเมาไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวดูการละเล่นไม่ว่าจะเป็นการเล่นการพานันหรือครบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติค้านทําการงานขาจัด โทษทั้งหลายออกจากกระแสชีวิตก็เลยกลายเป็นผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดและเป็นผู้ชานฉลาดด้วยเมื่อชานฉลาดทีนี้ก็สามารถเดินขึ้นสู่ทิศทั้งหได้เลยก็าเรียกว่าเดินขึ้นสู่สังคมได้เพราะเดินเข้าสู่ทิศทั้งหได้ก็แปลว่าตนเองเป็นจุดศูนย์กลางนะเวลาจะปฏิบัติเบื้องหน้ามารดาบิดาปู่ตายา ย, า, ยายายเป็นต้นมาก่อนเราเกิดก่อนเราถือเป็นทิศเบื้องหน้า แล้ปฏิบัติต่อพ่อแม่ก็ปฏิบัติได้ถูกพ่อแม่ปฏิบัติต่อเราก็ปฏิบัติได้ถูกเหตุผลเพราะว่าเป็นคนที่มีพรหมวิหารธรรมทั้งสี่ครบประพฤติปฏิบัติในด้านของในด้านของสังขวัตถุแล้วขจัดอคติในใจได้แล้วก็ปฏิบัติต่อพ่อแม่พ่อแม่ปฏิบัติต่อเราก็ได้ปฏิบัติต่อครัวอาจารย์ครัวอาจารย์ปฏิบัติต่อสิทธิ์แล้วก็ปฏิบัติต่อมิตร นะมิตรต่อมิตรปฏิบัติต่อกันแล้วก็สามีภรรยาปฏิบัติต่อกันได้ยังถูกต้องดีงามเป็นต้นทีนี้ก็มาอยู่ช่วงท้ายๆที่พูดถึงในเรื่องของเจ้านายปฏิบัติต่อลูกน้องไอ้ตรงเนี้ยนะการที่เจ้านายปฏิบัติต่อลูกน้องเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ทิศเบื้องล่างก็หมายถึงบริวารคนที่คอยรับใช้ปฏิบัติประเด็นก็อยู่ตรงที่ว่า ในฐานะที่เป็นนายจ้างหรือเป็นเจ้านายหรือเป็นผู้บังคับบัญชาได้ทั้งนั้นต้องปฏิบัติต่อคนงานต่อลูกจ้างเนี่ยปฏิบัติยังไงก็ <g ül üyor> คือจัดงานให้ทําตามความสามารถตามความเหมาะสมตามเพศตามวัยตามความสามารถของคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเป็นลูกน้องนี่เจ้านายต้องชานฉลาด ต้องชาญฉลาดเพราะมีอะไรนะืมีปัญญาไม่มีอคติกําจัดชั้นทาคติโทษาคติโมหาคติพยาคติลำเอียงเพราะรักก็ไม่มีลำเอียงเพราะโกรธก็ไม่มีลำเอียงเพราะหลงที่ไม่ได้พิจารณาก็ไม่มีลำเอียงเพราะกลัวก็ไม่มีเมื่อมีปัญญาเป็นในการคิดอ่านก็จัดงานจัดการงานที่จะให้เหมาะกับกําลังแก่เพศแก่วัยแก่ความรู้ความสามารถของลูกน้องลูกจ้างหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดีอย่างนี้เป็นต้น ประการต่อมาคือให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งงานและความเป็นอยู่ก็คือเป็นคนไม่เอารัดเอาเปรียบแล้วก็ดูความเหมาะสมด้วยนะอะไรคือความเหมาะสมไม่ใช่เอาความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยเฉยไม่รู้เรื่องหรือเพราะกลัวแต่ใช้ปัญญาที่วางใจเป็นกลางแล้วไปวิจัยแยกแยะดูความสามารถของเขาดูความดูความจาเป็นของเขาเป็นต้นเหล่านี้ให้สวัสดิการ ดีมีการรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้เป็นต้นสวัสดิการพะที่จะจัดได้นี่นะเนี่ยกรณีอย่างนี้นายจ้างต้องเก่งในเรื่องตรงนี้แล้วเวลาได้ของแปล ก, ปกใหม่ๆพิเศษมาก็แบ่งปันให้แล้วไม่ใช่แท่นั้นจัดให้มีวันหยุดและการพักผ่อนหย่อนใจตามสมควรอีกทีนี้อันนี้พูดถึงในฐานะของนายจ้างต่อมาคือในฐานะลูกจ้างลูกหรือผู้ใต้บังคับบัญชาคนงานเนี่ยก็อนุเคราะห์แบบไหน หนึ่เริ่มทำงานก่อนเนเป็นคนขวนขวายสองก็คือเลิกงานทีหลังก็เรียกทำก่อนเลิกทีหลังทำไมต้องทำอย่างนั้นเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดแล้วก็รับเอาแต่ของที่นายให้ไม่ชอบกองผลประโยชน์นั่นแหละของนายจ้งแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาตนเองฝึกฝนทำการงานให้ดียิ่งขึ้นไปให้เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือนําความดีของนายไปเผยแผ่ไม่ใช่เอาเอาเรื่องของนายไปนินทาเรื่องไม่ดีอะ่ะเขาห้ามหลักการเดี๋นี้เป็นหลักการห้ามความเป็นลูกจ้างไอ้ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าคนที่เป็นนายจ้างคนที่เป็นเจ้าของกิจการทั้งหลายต้องตั้งใจฟัง อ, อ, อาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ตาย า, ยาย้ายที่มีคนงานอยู่ในบ้านก็ได้หรืออาจจะทํากิจการงานทั้งหลายที่มีลูกจ้างก็ได้ หรือลูกจ้างที่ไปทํางานกับเจ้ า, า, าจหนุ่มเจ้นายไปต้นก็ได้หรือผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาลกคนที่จะต้องเกี่ยวพันกันในการยึดโยงกั น, นต้องเป็นอยู่แลวหลายสถานะสังคมไทยเราเนี่ ย, เ, ยเป็นสังคมที่ไม่มีสังกาวัตถุหรือปฏิบัติสังกาวัตถุไม่ชัดเมื่อปฏิบัติสังกาวัตถุไม่ไม่ชัดแนตะ่สังขารเขาแปลว่าการจับคนมารวมกันใช่ไหมจับคนมารวมกัน สังหะแปลว่าการจับคือจับจับคนมารวมกันเมื่อสามารถจับคนมารวมกันได้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เห็นไหมว่าแล้วไม่ใช่แค่จับคนมารวมกันนะต้องมีการว่าจับใจอ่ะผูกใจคนได้ด้วยคือรวมจิตใจคนได้ด้วยไม่ใช่รวมได้แต่ตัวนะต้องสามารถรวมใจเขาได้ด้วยถึงจะเป็นเรียกว่าสังคหะวัตถุเนี่ย การตรเราเรียกการว่ากว่าการสงเคราะห์หลักการสงเคราะห์อะไรก็ว่ากันไปทานคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยการให้นการให้เวลาเรามีเราปฏิบัติต่อกันและกันเนี่ยนะการให้เนี่ยเป็นลูกจ้างให้แก่ลูกเป็นลูกจ้างให้กับเจ้านายเจ้านายให้กับลูกจ้างเนี่ยมันให้อะไรได้บ้างมันมีการให้ได้ทั้งหลายอย่างนะให้วัตถุให้สิ่งของ อาจจะเป็นการหยิบของให้ยื่นของให้อะไรก็แต่ในวาระปกติให้ด้วยเมตตาในยามวาระที่เกิดปัญหาชีวิตให้ดยกรุณาถ้าส่งเสริมสนับสนุนก็ให้ด้วยมุทิตาพอยินดีปีญาวาจาเนี่ยการกล่าววาจาที่ไพเราะอ่อนหวานแะนั้นคําพูดเนี่ยสําคัญมากคําพูดเนี่ยนะคนส่วนใหญ่เนี่ยโดยมากเนี่ยถ้าพูดด้วยเมตตา พูดคําจริงพูดคําที่เป็นประโยชน์พูดถูกการแล้วก็พูดด้วยเมตตาพูดด้วยกรุณาหรือพูดด้วยมุทิตาตามสถานะพูดด้วยความจริงใจนั่นเองส่วนอัตถจริยาในการประพฤติประโยชน์ให้สังเกตดูนะว่าพูดประพฤติด้วยเมตตากรุณามุทิตาก็คือเข้าไปช่วยเหลือคนคนขวาย่่าที่ทํายากที่สุดก็คือสมานัตตาการประพฤติประโยชน์ด้วยอุเวขาที่มาจากเนคขมะเนี่ยขับเน้นไปที่ปัญญารู้และเข้าใจเนี่ยที่ว่า เอาตอนเองเสมอเนี่ยเสมอในที่เนี้ยก็คือมันมีการว่าเสมอแปลว่าเท่ากันถ้าไปแปลงเนี้ยถ้ามันได้พอๆกันเท่าๆกันขึ้นมาเดี๋ยวมันกลายเป็นเสมอในปัจจุบันเสมอจริงก็คือเสมอในฐานะที่เอาตอนเองเข้าไปเสมอในสุขเสมอในทุกก็คือร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมกันแก้ไขแล้วก็เชื่อมประสานไม่ไม่ไม่เลือกที่รักไม่ผักที่ชัง ก็คือเสมอต้นเสมอปลายนี่แหละประเด็นมันอยู่ว่าการที่เราเป็นเจ้านายก็ดีเป็นหัวหน้าก็ดีเนี่ยที่เราไม่สามารถที่จะไปนั่งในใจของลูกน้องได้เพราะเราขาดไอตัวพรหมวิหารใช่ไหมถ้าเรามีพรหมวิหารธรรมนะในยามปกติแล้วก็มีใจรักคือเมตตาปรารถนาดีเอื้อทอน ในยามที่ประสบปัญหาก็คือกรุณาสงสารคนขวาจะเปิดเปื้องทกให้กับเขาในยามที่เขาพอทาดีมีสุขก็ส่งเสริมสนับสนุนเกื้อหนุนเป็นต้นสิ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้ก็คือการสมาณะตาก็คือหลักการสงเคราะห์ไอตรงนี้ก็คือรู้ความประสงค์รู้ความต้องการทีนี้เวลาเราทง า, า, าทงานเนี่ยหลักการทางานเนี่ยเราจะทำยังไงไม่ให้เราใจเราเครียด ใช่ไหมเออในขณะที่ทํางานเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยต้องอยู่กับงานวันละตั้งแตั้งเก้าชั่วโมงแปลว่ามันเป็นถ้าจะเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วเนี่ยเอ่อหนึ่งในสามหนึ่งในสี่ของชีวิตเนี่ยแปลว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับงานถ้าเราทํางานนะคนที่ทํางานด้วยใจที่ถูกผลักดันด้วยตันหามันอยากได้ผลประโยชน์อยากได้สิ่ง ตอบแทนก็คือตัวเวทนาบางคนก็เลยทํางานก็เลยเป็นขับเน้นที่ที่เงินขับทำงานก็เลยขับเน้นที่หน้าตาขับทํางานก็คือเกียรติยศชื่อเสียงและผลประโยชน์ที่เราตั้งเขาไว้มันกลายเป็นวัตถุสิ่งของที่เราปรารถนาที่เราต้องการลูกจ้างที่มาทํางานก็เหมือนกันในจ้างก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันก็หวังในตัวผลประโยชน์เป็นจุดหมายหลักเช่นฉันทํางานฉันต้องได้เงินเมื่อฉันได้เงินฉันจึงจะมีความสุข มันก็เลยว่าหนึ่งทำงาน <c oughs> ฉันได้เงินพอเงินมีเงินเป็นตัวผ่านยิงจะมีความสุขบางคนก็มีบ้านได้ทํางานหวังจะดักจะได้บ้านทํางานหวังจะได้รถทํางานหวังจะได้เกียรติยศชื่อเสียงถ้าบ้านยังไม่ได้รถยังไม่ได้โอ้โหสุขไม่ได้ยี่เป็นต้นเลยต้องเอาตัววัตถุเหล่านี้เป็นตัวเชื่อมที่จะประสานข้นสู่ความสุขอย่างแท้จริงนี่คือปัญหาแปลว่าการทํางานเนี่ยไม่มี ไม่เข้าใจระบบการทำงานทีนี้เอาละถ้าคนที่เขามีฝึกพรหมวิหารและทำจนเป็นเนื้อเป็นตัวได้จริงๆมันมาจากตัวฉันทะใช่ไหปรารถนาที่จะทำให้ตนเองเนี่ยเข้าถึงอะไรเข้าถึงเมตตาก็คือสภาพของใจที่มีความรักปรารถนาดีเข้าถึงกุณาเข้าถึงมุทิตาและเข้าถึงอุเบกขาโดยเฉพาะเข้าถึงตัวอโทสาคือความไม่โกรธ ก็คือสภาพขันติแล้วปรารถนาอยากจะให้เข้าถึงคุณธรรมคือขันติตัวนี้นี่คือคนที่มีความเข้าใจนะมันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อการทำงานเนี่ยมันเป็นการฝึกทั้งพฤติกรรมทั้ง จ, จิตใจทั้งปัญญาฉะนั้นการที่เราไปฝึกฝนพัฒนานในการทำงานน่ะมันเป็นการสร้างอะไรสร้างเครดิตให้กับตัวเองนะทำให้ตนเองได้ทักษะได้ความรู้ได้ประสบการณ์ยิ่งงานนั้นยาก เรายิ่งต้องได้ฝึกตัวเองมากขึ้นเหมือนเราจะปัดกวาดเช็ดถูทํากิจกรรมในการกิจกรรมของชีวิตเนี่ยก็แปลว่าอะไรชีวิตของเราเนี่ยเวลาเราดําเนินชีวิตหรือดาเนินกิจกรรมเราก็ไม่แปลกแยกจากกิจกรรมนะั่นคนที่แปลกแยกจากกิจกรรมก็คือทํางานด้วยความหงอยเหงาเศร้าซึมทํางานเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีทำงานใจก็เป็นทุกข์แต่คนที่ไม่แปลกแยกก็คือในขณะที่ทํางานเนี่ยใจก็มีความสุขมาก ก็มีความสุขอย่างไรอายกตัวอย่างนะคนที่ทำงานเป็นหมอมีหมอท่านหนึ่งถามปัญหามาเขาเป็นหมอฟันเขาบอกว่าเขาเขาจะทำอย่างไรที่เขาจะได้มีโอกาสให้ทานบ้างหรือไปให้ทานไปรักษาศีลไปปล่อยปลาปล่อยสยัตว์ปล่อยเต่าอะไรเงี้ยฉันก็บอกเอา้าอาชีพที่คุณเป็นหมอไงเป็นหมอฟันเนี่ย การที่เรามีเมตตายามเขาปกติแล้วก็เมตตาเขามีปัญหาเรื่องฟันแล้วก็กรุณาเขาในขณะที่เรามีกรุณาจิตเกิดขึ้นแบบจับจิตจับใจเกิดขึ้นแล้วก็ขนขวายต้องการอยากจะปลดเปลื้องความทุกข์ทนนิ่งดูไดไม่ได้แล้วก็ทำการขนขวายในการที่จะช่วยเหลือเขาขจัดข้าบหินปูนในฟันของเขาเขามีโรคเหงือกโรคฟัน โอกาสที่เขาจะตายเนี่ยสูงโอกาสที่เขาจะถูกตัวเชื้อโรคทั้งหลายเหล่านี้มันกัดกินก็เป็นในเหงือกในฟันแล้วก็ลงสู่เส้นเลือดทั้งหลายก็สามารถตายได้ก็เยอะแยะงั้นเราก็มีจิตการณาปราถนาดีกับเขากับคนไข้ในขณะที่รักษาไปก็มีจิตปราถนาดีขอให้เขามีความสุขมีอายุยืนเราจะค้นขวายช่วยเหลือและปลดเปลื้องความทุกข์ของเขาเนี่ย เมื่อเขาเาจะได้มีอายุยืนเขาจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเขามีอายุยืนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วเนี่ยตอนนั้นอะใจเราเนี่ยต้องเป็นใจที่อ่อนโยนใจที่นุ่มนวลใจที่เป็นไปกับกรุณาและในขณะเดียวกันก็แผ่กรุณาจิตออกไปด้วยการกระทําด้วยกรุณาพูดกับเขาด้วยกรุณาบอกข้อมูลของเขาว่าทาอย่างไรเขาจะไม่มีค้าวหินปูนเนี่ยมากาะฟันก่อเหงือกเนี่ยทำอย่างไรเขาจะไม่เป็นโรคเหงือกโรคฟัน ทำยังไงเชื้อโลกจะไม่เข้าไปในปากจะแปลงปานยังไงจะจัดการยังไงก็บอกเขาด้วยกรุณาก็ว่าพืชประโยชน์ให้กับเขาด้วยกรุณาอย่างนี้เป็นต้นเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยก็มีใจกรุณาจิตเกิดความสุขใจปลื้มใจว่าเขาได้ขวนขวายได้ช่วยเหลือทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วหนอจากที่เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอายุยืนเนี่ยเขาจะต้องไปดูแลพ่อแม่ปู่ตาย่ายยายเป็นต้นเขาจะเป็นประโยชน์แก่สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นอันมาก การที่เรากระทาในลักษณะนี้เราได้เจริญกุศลอย่างยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยคือการฝึกให้คุณธรรมคือเมตตากรุณาหรือมุทิตาหรือเบกขาเป็นต้นให้เกิดขึ้นในตนทําขันติเป็นต้นให้เกิดขึ้นในตนและประพฤติประโยชน์ออกมาจริงๆนี่เกิดจากความรู้ความเข้าใจชําระตนเองให้สะอาดงานทุกงานเป็นแบบนี้หมดมันเป็นการได้ฝึกตนเห็นไหมเนี่ยนอกจากได้ทักษะความรู้ความสามารถแล้วไม่พอยังได้ตัวธรรมะ ธรรมะก็คือได้ความเชื่อมั่นมากขึ้นได้ตัวความเกล้ากล้าอาถานได้สติได้สมาธิได้ปัญญาได้เมตตาได้กรุณาได้มุทิตาเบกขาตามสถานะได้ประพฤติประโยชน์ได้ได้ได้ให้ประโยชน์แก่เขาให้ข้อมูลความรู้เขาได้ประพฤติประโยชน์ให้กับเขาการกระทําในลักษณะอย่างเงี้ยแปลว่าเรากําลังประพฤติทำส่วนเงินคือค่าตอบแทนมันกลายเป็นอะไรเนี่ยเป็นผลผลิได้ นันทุกคนเวลากะทํางานกะทําหน้าที่กันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆเราไปดูที่มันเป็นงานอะไรที่เราทำมันเป็นประโยชน์ไหมมันทําให้เราได้ทักษะดงั้นไอ้ทักษะก็ดีความรู้ความสามารถและศักยภาพที่เราทําไปแล้วเนี่ยมันติดเนื้อติดตัวเลยนะเป็นคุณภาพของเราเลยนะฉะนั้นในการที่เราเกิดความขยันหมั่นเพียรอย่างเงี้ยถ้าโยนโดยเฉพาะ ถ้าเรามีผู้คนเยอะๆแล้วจับคนมารวมกันได้สิบคนยี่สิบคนเนี่ยแปลว่าอะไรเนี่ยไม่ใช่เอาแค่คนมารวมกันแล้วเราสามารถทําใจคนให้รวมกันได้เอาคนเอาความต่างกันของคนที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยเหมือนเหมือนกับรถคันหนึ่งที่มีเครื่องยนต์กลไกลอะไรแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยทุกชิ้นไม่เหมือนกันเลย แต่แต่ละชิ้นน่ะตั้งอยู่ในในจุดที่เหมาะสมที่เป็นประโยชน์แต่เวลาเครื่องยนต์ ก, นกลไกนั้นทำงานมันเชื่อมประสานกันจากการที่เครื่องยนต์ ก, นกลไกเชื่อมประสานกันสามารถนำองค์คาพยพคือรถคันนั้นน่ะให้ไปข้างหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางได้ทีนี้สังคมมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันได้ที่ไปกันอยู่ไปกันแบบไม่พังเนี่ยก็คือไปกันอย่างมีริมสลัก ไอริมสลักตรงนี้ก็คือล้อรถเวลามันวิ่งไปสังเกตดูหัหยรถทำไมล้อรถทั้งไม่หลุดเพราะมันมีน็อตขันเข้าไว้ล้อสมัยโบราณมันมีตัวริ่มสลักเข้าไว้ทาให้ล้อหรือเพลาล้อไม่แตกไม่หลุดกันออกมาเนี่ยสามารถที่จะไปอยู่ไปอยู่ก็คือไปไม่พังไปแบบเชื่อมประสานองคาพยพของกระแสชีวิตเนี่ยถ้าเราสามารถเชื่อมธรรมะในใจเราได้ เช่นวาละนี่ให้เมตตาเกิดขึ้นวาละนี่ให้กรุณาวาละนี่ให้มุติตาวาละานี่ให้อุเบกขาเกิดขึ้นให้คุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเชื่อมประสานกลมกลืนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในใจเราได้แล้วก็เชื่อมประสานหมู่คนให้หมู่คนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมีจุดหมายร่วมเออเราดูอย่างนี้นะเออประเทศที่เอาดูใน อ๋อกรณีถ้าเราสามารถเชื่อมประสานเนี่ยเชื่อมประสานกลมกลืนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันได้เมื่อไหลปูบเนี่ยมันจะสามารถทําให้องค์คารยบนั้นไปกันได้ดีไปกันแบบไม่พังไปกันแบบเชื่อมประสานและยึดโยงอะเดี๋ยวขอไปทิศ ท, ทั้งหกให้จบระหว่างพระสงฆ์กับกับญาติโยมที่พึงปฏิบัติต่อกันนะเขาเล่า ว, ว่าเหตุนี่นนผิดอ่ะเหตุธิมะนี่แปลว่าต่ํานะ ต้องใช้เขาว่าอุตละมั้งทิศเบื้องบนใช่ไหมบาลีผิดหรือเปล่าเตุที่มาผิดไม่ผิดเออใช้แก้ได้ไนะตรงนั้นไม่เป็นไรทิศเบื้องบนอ่าภิกสุสมมาเนนเป็นต้นเหล่านี้อยู่ในฐานะที่สูงกว่าด้วยคุณธรรมคำว่ า, าสูงในที่นี้เขาวาดกันที่คุณธรรมเนะี่ยส่วนญาติโยมก็ ญาติโยมพึงปฏิบัติต่อพระสงฆ์ด้วยอะไรตรงนี้สําคัญมากเลยทุกวันนี้สถานะของพระสงฆ์ย่ํยาแย่ย่ําแย่ก็คือญาติโยมพุทธบริษัทไม่มองพระไม่กระทําต่อพระด้วยเมตตาไม่กระทําต่อพระด้วยกรุณาไม่กระทาต่อพระด้วยมุทิตาไม่กระทาต่อพระด้วยการวางใจเป็นกลางก็ใช้หลักพรมวิหารขับเคลื่อนมาสู่สงางารวัตถุปฏิบัติต่อพระสงฆ์ไม่ถูก อันนี้ใช้เมตตาเป็นตัวหลักไว้นะรกระทําด้วยเมตตาก็คือกระทําทางกายนั้นให้มีใจเวลากระทําต่อพระสงค์เช่นเวลาให้ทานเนะีเวลาให้ทานหรือไปประพฤติเวลาไปประพฤติประโยชน์ทั้งหลายเป็นต้นอลไรเนี้ยให้ให้ให้กระทําด้วยเมตตาเป็นต้นเวลาจะพูดกับพระสงฆ์ก็พูดด้วยเมตตามีความรักป ร, รารถานา ด, ด, ดีก็เปล่งวาจาและเวลาคิดต่อท่านก็ให้คิดด้วยเมตตาก็คือมโนกรรมทางด้านจิตใจ มีความรักปรารถนาดีอับทอนก็คือแผ่ไมตีจิตปรารถนาให้พระสงฆ์ภิกษุสา ม, มนเณรเป็นตัวเหล่านี้นะให้ท่านเหล่านั้นนะ่ะเป็นผู้ที่อยู่ดีมีสุขมีอายุยืนมีความสุขประพฤติปฏิบัติตนเองดำเนินไปตามมรรคาของิีณาเจ้าจนพ้นจากกิเลสและกองทุกข์แล้วก็ต้อนรับด้วยความเต็มใจเวลาพระท่านมาสู่ที่อยู่อาัยมบิณฑบาตเป็นตัวไหนนี้ต้อนรับด้วยความเต็มใจ อุปถัมภ์ได้ปัจจัยสี่ถวายที่อยู่อาศัยเครื่องนมยาอาหารอันนี้คือญาติโยมที่พึงปฏิบัติต่อพระสงฆ์ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าโดยมากเราจะคิดต่อพระสงฆ์ไม่เป็นหรือแท้ที่จริงเนี่ยทําไมต้องทําใจเป็นเมตตาเราเห็นพระสงฆ์เนี่ยที่ห่มผ้ากาสาวพัดที่มีธงชัยของพระอริยะธงชัยของพระพุทธเจ้าเนี่ย เ, ยเห็นแล้วต้องปลื้มใจต้องสุขใจ และก็พูดด้วยเมตตาคิดด้วยทำด้วยเมตตาคิดด้วยเมตตาอุปธรรมด้วยความเต็มใจแล้วก็เต้อนรับด้วยความเต็มใจอุปธรรมด้วยปัจจัยสี่อย่างนี้เป็นต้นส่วนพระสงฆ์เมื่อได้รับอุปการะอย่างนี้แล้วก็ต้องอนุเคราะห์ครือขัดโดยสถานะหกเลยไหมนี่เยอะมากเลยเห็นมหนึ่งก็คือห้ามแนะนํานั่นเองห้ามปรามให้แยกแยะ ว, ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล ความชั่วเป็นยังไงอะไรเป็นกายยทุจริตวิจีทุจริญมโนทุจริญอะไรเป็นราคะโทสะโมหะอะไรเป็นบาปกุศลกรรมชั่วร้ายทั้งหลายเป็นหน้าที่พระสงฆ์จะต้องชี้นําและบอกแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในความดีให้ตั้งอยู่ในกุศลกุศลความดีคืออะไรกุศลความดีก็คือสภาพจิตที่ไม่มีโรคไม่มีโทษไม่มีของเสียประพฤติออกมากายก็สุดจริตวาจาก็สุใจก็สุดจริญนี้เป็นต้นและในขณะเดียวกันก็นกคือว่า ไม่ใช่อันนี้นอ้าวอันนี้ไม่เป็นไรแล้วก็อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีอนุเคราะห์ก็คือว่าไม่เป็นไรนอนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีแล้วก็ให้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังนะอะไรที่ยังไม่เคยฟังอะไรที่ยังไม่เคยรู้ แสดงเห็นใช้ไวพระนี่ต้องเป็นผูร้รู้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องพระธรรมคำสอนทั้งหลายเป็นหน้าที่ที่พระสงฆ์จะต้องจะต้องกล่าวพูดเรื่องที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้งทำเรื่องที่ยังยังไม่เคยฟังนั้นน่ะหรือที่เคยฟังแล้วที่ยังไม่ชัดให้ชัดขึ้นโดยเฉพาะคาสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าต้องมีความชัด แล้วข้อสุดท้ายนี่ก็คือสอนวิธีการดําเนินชีวิตให้ประสบความสุขความเจริญยิ่งยขึ้นไปนี่ก็คือสอนหลักการบอกมัชฌิมาปฏิปทาบอกหลักการปฏิบัติให้ดําเนินชีวิตไปสู่ความเสื่อจากกิเลสและกองทุกข์ได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือพระสงฆ์ให้สังเกตดูนะว่าพระสงฆ์กับครือข่าเนี่ยนัก บ, บวชกับครือข่าเนี่ยต้องมีการยึดโยงกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเชื่อมโยงกันตลอดแล้วก็เชื่อมประสานกันตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการปฏิบัติต่อกัน เอาละทีนี้อันนี้พูดตรงนี้พอจะเป็นหลักได้คร่าวๆแต่ต้องการอยากจะพูดให้ฟังในเจาะในรายละเอียดลึกลงไปอีกนิดนึงก็คือว่าเอาละในกรณีที่หมู่ชนที่อยู่รวมกันก็ดีนะสังคมที่เป็นสังคมที่พึงปรารถนาก็คือสังคมที่เป็นสังฆะหมู่สังฆะเนี่ยคือหมู่อริยสงฆ์เนี่ย หมู่พระสง์เป็นชุมชนที่เป็นชุมชนต้นแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงสร้างชุมชนขึ้นนี้ขึ้นมาแล้วก็วางกรอบวางกฎเกณฑ์กติกาขึ้นมาเพื่อให้เป็นสังคมที่ดีที่สุดทีนี้การที่สังคมเหล่านี้จะเป็นสังคมที่ดีที่สุดเป็นหมู่ชนที่ดีที่สุดนั้นจึงเป็นหมู่ชนที่ถูกมีกฎเกณฑ์ระเบียบกฎเกณฑ์กติกาค่อนข้างละเอียดอ่อนมาก ฉะนั้นหมู่พระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านี้จึงเป็นหมู่พระสงฆ์ที่ว่าต้องสละทิ้งเย่าเรือนทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาอยู่มาฝึกฝนมาพัฒนาตนเองแต่สภาพสังคมปัจจุบันจะเป็นยังไงนั้นว่าอีกทีนะแต่สังคมที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์นั้นเป็นสังคมที่เป็นสังคมต้นแบบแบบอย่างที่ดีที่สุดจริงๆฉะนั้นจึงบอกว่าจึงเป็นหมู่ชนที่เรียกว่าสังฆคําคว่าสังฆเปว่าหมู่เนี่ย ถ้าเป็นอริยสังฆะก็คือหมู่ของอริยสงฆ์สมมุติสังฆะก็หมู่สมมุติสงฆ์ถ้าสกุลนาสังฆะคือหมู่นกเกมมีสังฆะหมู่หนอนไงเป็นต้นเหล่านี้นะก็คือถ้าเป็นหมู่ทั้งหลายนี่เรียกว่าสังฆะหมดเลยหนึ่งสังฆะที่แปลว่าหมูทีนี้หมูชนที่จะไปกันด้วยดีไปกันแบบไม่พังไปแบบไม่กระจัดกระจายก็จะมีตัวนี่หลักสังฆาวัตถุนี่เป็นตัวเชื่อมประสานยึดโยง ถ้าไม่มีตัวพรมวิหารธรรมขับเน้นออกมาสู่การเป็นการเชื่อมประสานสังคมนั้นก็ไปได้ไม่ดีไม่สามารถที่จะกัดอยู่กันแบบกระจัดกระจายอยู่กันแบบมีอคติต่อกันแล้วในที่สุดจริงก็ไปไม่รอดเอายกตัวอย่างที่แบบบอกก็จะยกตัวอย่างอันนี้ยังไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีก่อนนะแต่ดูสภาพสังคมเนี่ยเราดูประเทศไทยเรากับประเทศญี่ปุน่น อันนี้พูดทางโลกๆลกนิดหนึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทำไมเขาเป็นประเทศที่เขามีจุดหมายร่วมกันกอนข้างชัดเขามีจุดหมายร่วมก็ต้องไปดูปูมหลังเขาประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แพ้สงครามใช่ไหมก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีสงครามเนี่ยก่อนหน้านั้นอา่าไทยเรายุคย้อนไปให้ไกลที่สุดเลยเอา่าไม่ ถ้าประเทศไทยเราก็ตั้งแต่นู้นะสมัยยุทธยาตั้งแต่พระนารายมาลาสมัยญี่ปุ่นก็สมั ย, ยจักรพรรดิเป็นใหญ่สมัยนั้นพวกโชกุนทั้งหลายเหล่านี้เขาเป็นใหญ่นะแล้วต่อมาก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาจากยุโรปไปเบียดเบียนเขาพอยุโรปไปเบียดเบียนเขาขึ้นมาต่างๆเล่านีนน้ต่อก่อนหน้านั้นเขปิดประเทศ ปิดก็พพร้อมกันกับประเทศไทยปิดในยุคของพันอลายก็ปิดประมาณกับสองรีเพราะว่าเปิดประเทศก็อยู่ประมาณสักยุคของราชการที่สี่เหมือนกันของเราก็มาเปิดในยุคใกล้เคียงกันนั่นแหละก็ถูกบังคับให้เปิดแล้วเขาก็ต่อสู้การต่อสู้เขาก็ยกความเป็นใหญ่ให้กับจักรพรรดิมืมอบความเป็นใหญ่เสร็จทุกคนก็เลยร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะฟันฝ่าในการจะฟันฝ่าที่จะเอาชนะภัย ภัยข้างนอกภัยเบียดเบียนจากมนุษย์เดียวกันเองเนียพอเกิดภัยเบียดเบียนทุกเบียดเบียนภัยคุกคามทั้งหลายเนี้ยเขาก็รวมกันเป็นหนึ่งเมื่อรวมกันเป็นหนึ่งจับคนมารวมกันไม่พอเขาจับใจคนมารวมกันได้ด้วยแล้วก็มีจุดหมายร่วมกันบอกว่าถ้าเพื่อญี่ปุ่นหรือเพื่อจักรพัททั้งหลายเหล่านี้ยทุกคนยอมหมดเลยนั้นก็เมื่อเขารวมกันเป็นหนึ่งอย่างนี้เบเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ฟันฝ่าโอ้โหในนี้เขาต่อสู้กัน ในที่สุดจริงๆเขาก็สามารถเป็นมหาอำนาจเป็นต้นได้แล้วต่อมาก็ก็มาทำเหมือนเป็นสงครามโอ้ยเขาก็เกือบเป็นอันนั้นไม่ได้พูดเรื่องดีหรือไม่ดีก่อนพอมาสงครามโลกครั้งที่สองแล้วต่อม า, าก็ต้องชดชชยสงครามมาประเทศไทยเราเนี่ยพอสมัยราชการที่สี่เราก็เจอปัญหาทางถูกยุโรปมาเบียดเบียนเหมือนกันแต่ก็เจอไม่นานได้เจอภัยไม่นานเท่าไรหร่เราเนี้ยเราก็เลยไม่ค่อยมีจุดหมายร่วมกันเท่าไหร่ ทีนี้ว่าพอมาถึงยุครัชกาลที่ห้าอ้าวเราเจอภัยเบียดเบียนตอนนั้นโอ้สมัยรัชกาลที่ห้าก็แก้ปัญหาด้การที่มากมายแล้วที่สุดจริงๆก็สามารถแก้ปัญหามาได้แต่ก็ไม่นานเท่าไหร่ตอนนั้นมีรถไฟต่างๆเหล่านี้ญี่ปุ่นยังส่งคนมาดูเนี่ยมาดูการรถไฟของไทยเราในสมัยรัชกาลที่ห้ามาดูเอาไปเป็นตัวยอย่าง แล้วในที่สุดจริงๆด้วยการที่เขาจะต้องชนะยุโรปให้ได้แล้วก็เขาต้องยิ่งใหญ่ได้เขาก็ฟันฝ่าในท่สนจริงก็ฟันฝ่าแล้วก็ชนะได้จริงด้วยเขาก็ยิ่งใหญ่เข้ามาเนี่ยจากการที่เจอภัยเจออุปสรรคมากมายนั้นคือการมีจุดหมายร่วมกันจับใจคนมารวมกันได้การมีจุดหมายร่วมเนี่ยเวลาเขาส่งคนไปศึกษาเช่นจะภาคอุตสาหกรรมหรือภาคอะไรก็แล้วแต่เขาส่งไปเป็นคณะคณะกลับมาแล้วก็สามารถตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้แล้วก็ประสบความสําเร็จได้ซึ่งของไทยก็ส่งนะ แล่วส่งไปที่เรคนสองคนพอกลับมาก็ยังว่ามาเข้าคนเก่าเป็นต้นที่ตร ง, งนี้ต้องการชี้เห็นว่าสังคมไทยนะสังคมทางอเมริกายุโรปก็ดีสังคมญี่ปุ่นเป็นต้นก็ดีเนี่ยการที่เขาสามารถรวมกันได้เนี่ยมันเกิดจากปัญหาเกิดจากอุปสรรคเกิดจากภัยอย่างหนึ่งที่มาเบียดเบียนบีบคั้นทีนี้ย้อนกลับมาพวกเราเนาะพระพุทธเจ้าเนี่ยปราตนาอยากจะสร้าง ไม่ใช่ปาารารถนาพระองค์สร้างอะไรสังคมที่เป็นอริยชนสังคมอริยะสังคมอริยะเนี่ยเช่นสังฆะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นมาเนี่ยนี่ก็คือหมู่สงฆ์แล้วก็ชุมชนของคาราวะาก็เป็นเหมือนกันหลักของวินยัย อ, อริยวินยัยหรือตามแบบอย่างก็อริยชนเช่นบคนุคคลพระพุทธเจ้าสอนธรรมะฝึกฝนให้คนเนี่ยประชุมแล้วก็รวมกันได้ นัน้สังคมในสมัยครั้งพุทธกาลจึงเป็นสังคมที่เป็นสังคมที่ประพฤติปฏิบัติเอาธรรมะมาใช้กันได้จริงๆก็เลยสามารถสร้างสังคมที่เป็นชุมชนที่มีความเป็นปึกแผ่นสมัครสมานสามัคคีแล้วก็กลมกลืนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันได้เหตุผลที่เป็นได้อย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมให้สังเกตดูนะว่าเวลาบุคคลที่สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าสู่พระวิหารได้เอาเมตตา ม า, มาเกิดขึ้นในใจตนเองได้การุณามุทิตาและเวขามาประชุมไว้ในใจได้ถามว่าเมตตากาจัดอะไรกำจัดโทสะใช่หมเมตตาเป็นปฏิปักษ์ต่อโทสะดังนั้นคนมีเมตตาเนี่ยก็เอาโทสะออกจากใจได้แล้วการุณาละ่ะกำจัดอะไรกำจัดวิหิงสาคือคิดเบียดเบียนมุทิตากำจัดอะไรกำจัดลิษสยาแล้ว อุเบกขากำจัดอะไรกำจัดตัวความยินดียินร้ายความยินดียินร้ายหรือกำจัดอคติคือฉันทากคติโทสาคติมหาอคติพยาคติกำจัดอคติทั้งสี่ได้ฉะนั้นสนภาพสังคมเนี่ยที่เรายกขึ้นมาว่าถามว่าจริงๆแล้วสังคมอเมริกนันกันก็ดีสังคมญี่ปุ่นก็ดีจริงๆก็กจัดอคติได้ไม่ไม่ได้หรอก เขาก็กำจัดไม่ได้แต่เขามีภัยเบียดเบียนบีบคั้นเขาอเมริกันเนี่ยเขาสร้างสังคมเข้ามาได้เพราะเขาเป็นสังคมบุกฝ่าหรือฝ่าฟันกว่าเขาจะตั้งได้เนี่ยเขาต้องบุกฝ่าต้องต่อสู้กับอินเดียแดงต่อสู้กับสเปนต่อสู้กับฝรั่งเศสเลยโอ้โหอีงมากมายในส่วนจริงมันฝังเป็นอัธยาศัยของเขาเป็นสังคมการบุกฝ่าแล้วก็ต้องมีสังคมกฎเกณฑ์กติกามันก็เลยเอียงสุดตรงไปทางด้านเขา อ, อุเบขาซึ่งขาดเมตตากรุณาขาดขาดมุทิตานะ แต่เขาเอากฎเกณฑ์กติกาเป็นเครื่องกั้นกันมันก็จยอยู่ด้วยความเครียดความวิตกกังวล น, นั่นก็ว่าไปแต่เขากลัวภัยกลัวอันตรายมากโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้แล้วเขาบอกว่าอเมริกันมาก่อนเนี่ยโอ้โหอะไรอรก็แล้วแต่เขาต้องเอาตัวเขาเองมาก่อนแล้วเขาก็ตั้งกฎเกณฑ์กติกาของเขาอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมที่เขารวมกันเชื่อมประสานาก็กลัวภัยเหมือนกันกลัวภัยเหมือนกัน เขาจึงหมดท่าเพื่อญี่ปุ่นแล้วเขายอมหมดอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเขาจับคนมารวมกันได้ก็จับใจคนมารวมกันได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็เครียดเขาก็ก้มเขาก็ทุกขนะแต่ไม่ได้เขาต้องยอมเสียสละเพื่อส่วนใหญ่อันนี้อันนี้เขาสร้างสังคมได้เพราะเกิดภัยธรรมชาติก็ดีภัยอะไรต่างๆเบียดเบียนเขาก็ต้องต่อสู้ต้องดินน้นรนแต่สภาพสังคมไทยเนี่ยเราเจอภัยระยะสั้นไม่ค่อยนานไม่ใช่ เจอภัยระยะสั้นไม่ค่อยนานและอย่างหนึ่งก็คือเราเป็นโดยส่วนใหญ่แตกกันเป็นโกอกกกเป็นหมู่หมู่เป็นเราเรามันจะเป็นมันเป็นสังคมที่เราหนึ่งถ้าได้จริงๆเราก็ได้แค่เมตตากรุณาอาจจะเทียมก็ได้นะได้แค่นี้มูทิตาพรอยยินดีกับคนที่เราเกลียดไปไม่ถึงอุเบกขาการที่จะเอารักษากฎเกณฑ์กติกาวางใจเป็นกลางรักษากฎเกณฑ์กติกา แล้วมีปัญญาในการคิดอา่านไม่ยอมทําลายกฎเกณฑ์กติกาเราไปไม่ถึงเราพยายามอยากจะเป็นอย่างสังคมทางยุโรปเขาหรือสังคมทางอเมริกันเขาเนี่ยเราอยากจะเป็นนะเราไปเรียนไปเรียนมาก็ามายางสร้างรูปแบบเอากฎเกณฑ์กติกาของเยอรมันม า, ามกฎเกณฑ์กติกาของกฎเกณฑ์กติกาของอเมริกามาของอังกฤษมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราพยายามสร้างกติกากันแล้วก็ทําลายสร้างก็ทํำลายแปลว่าเราไปไม่ถึงอะไรไปไม่ถึงอุเบกขา ไม่ถึงปัญญาที่จะมารักษากฎเกณฑ์กติกาก็พอไปไม่ถึงอุเบกขาเราก็มีอคติลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะลำเอียงเพราะอะไรลำเอียงเพราะโกรธเพราะกลัวแล้วก็ลำเอียงเพราะเออไม่ใช่ลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะหลงไม่รู้เรื่องแล้วก็ลำเอียงเพราะกลัวเพราะอคติกินเนี่ยให้สังเกตดูว่าสังคมที่แตกแยกกันมันมาจากอะไร มันมาจากฤิษยาและตะนีไอฤิษยานี่แปลว่าอะไรแปลว่าขาดมุทิตาตะนีมาอยู่กลุ่มไหนกลุ่มโทสะกลุ่มโทสะไอฤทิษยาและความตะนีก็คือว่าเวลาเห็นคนอื่นได้ดีกลุ่มอื่นได้ดีพวกอื่นได้ดีมันทนไม่ได้แล้วก็ห่วงห่วงที่อยู่ห่วงถิ่นหวงที่อยู่ห่วงตึ้งถึงห่วงประเทศเนี่ย หวงพวกพ้องเล่นพักเล่นพวกแล้วก็ห่วงผลประโยชน์ใช่ไหมห่วงผลประโยชน์ไอ้ตันดีนี่กลุ่มโทรศัพท์นะกลุ่มตันดีเนี่ยแล้วก็ห่วงเกียรติคุณเกียรติยศชื่อเสียงหวงเสียงเสียงสรรเสริญเยินยอตั้งพวกตัวเองแล้วก็ห่วงข้อมูลปิดบังข้อมูลไม่ยอมไม่ฝ่ายหนึ่งพวกหนึ่งได้รู้ข้อมูลตัวเองก็เก็บงําข้อมูลข้อมูลดีๆระดับไหนตัวเองก็เก็บงําไว้ไม่ยอมจะเปิดเผยเนี่ยมันก็ห่วง และะรในขณะเดียวกันก็ลิษยาถ้าคนอื่นได้ที่อยู่ดีกว่าตนเองก็ลิษยาเขาได้พวกดีดีกว่าตัวเองก็ลิษยาเขาได้ผลประโยชน์มากกว่าตนเองก็ริษยาเขามีสีผิวผิวพรรณดีกว่าเขาได้รับการยกย่องกว่าตนวเองก็ลิษยาเขามีข้อมูลได้คนอื่นมีข้อมูลมากกว่าลิษยามันก็แตกแยกเห็นไหมสังคมที่มันแตกแยกกันเนี่ยและเราก็เพียรพยายามกันนะ เพียรพยายามกันเละเกินว่าเหมือนกับเทา้าสกะเทา้าสกะไปถามปัญหากับพระพุทธเจ้าในส ก, กะปัญหาสูตรไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้จเจริญเทวดาน้าครุฑคนทันมนุษย์มนุษย์น่ยเอามนุษย์เนี่ยทำไมมนุษย์เนี่ยแล้ต่างก็มีความปรารถนาอยากให้คนสามัคคีกันเชื่อมประสานกันไม่เบียดเบียนกันไม่ปะทุสลายกันไม่ข่มเหงกัน แต่ทำไมความหวังความปรารถนาของมวลมนุษย์เป็นต้นเหล่านี้จึงผิดหวังจึงไม่สมหวังจึงไม่สมจึงไม่สมหวังจึงไม่สามารถสำฤทธิ์ผลเสียทีอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยทําให้มนุษย์เนี่ยขัดแย้งกันปะัะสาวรายกันเบียดเบียนกันแล้วก็ไม่เชื่อมประสานไม่สามัคคีกันไม่เป็นเอกีภาพอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยพระเจ้าบอกว่าฤิ์สยาและความตนหนี ที่ชัดเลยก็คือขาดเมตตาต่อกันที่ถูกต้องขาดกรุณาต่อกันที่ถูกต้องในยามปกติก็ไม่เมตาเมตากันจะเมตตาก็เฉพาะพวกพ้องในยามเกิดปัญหาก็ไม่กรุณากันจะกรุณากันก็เฉพาะพวกเฉพาะในยามที่เขากระทําสิ่งที่ดีมีประโยชน์ประสบความสําเร็จก็ไม่พอยินดีต่อกันจะพอยินดีแต่เฉพาะพวกพ้องตัวเองหรือตัวเอง และในขณะเดียวกันไม่รักษาไม่วางใจเป็นกลางไม่มีปัญญาว่าเอากฎเกณฑ์เอาระเบียบเอากฎกติกาเป็นตัวตั้งไม่ขจัดอคติลำเอียงว่ารักบ้างเวลาพวกพ้องทำผิดโอ้โหนี่มีชั้นทาคติช่วยเหลือเกื้อกูลเวลาคนอื่นทำผิดนิดเดียวโอโ้โกรธเลยใช้โทสาคติเขาใส่เลยทีนี้ใช่ไหมลาเอียงหรือว่าพยาคติกลัว ฉันต้องรีบลงโทษถ้าไม่ลงโทษในเขตลาบเดี๋ยวเบียดเสร็จเลยเนี่ยมันก็ไปเบียดเบียนกันใช่ไหมเนี่ยสภาพสังคมเป็นอย่างนี้แล้วก็โมหะกติไม่รู้จะไปยังไงขาดปัญญาขาดวิสัยทัศน์ในการที่จะนําพาครอบครัวสังคมเป็นต้นเหล่าเนี้ยให้ดําเนินไปตามทางที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาไม่สามารถที่จะสร้างสังคมที่ดีสังคมที่เป็นปึกแผ่นเป็นต้นได้ทีเนี้ยมันเป็นปัญหาเลยรตเนี้ย นี่เพราะพอมันขาดอะไรเนี่ยขาดทั้งขาดทั้งเมตตาขาดทั้งกรุณาขาดทั้งมุทิตาขาดทั้งอุเบกขาโดยเฉพาะอุเบกขาเนี่ยสำคัญสุดพอขาดพรหมวิหารทีนี้เวลาไปประพฤติประโยชน์ร่วมกันเช่นไปใช้สังคาวัตถุและสังคมเนี่ยให้สังเกตดูนะสังคมไทยเนี่ยเวลาเดือดร้อนชอบช่วยเหลือกันนะชอบให้ทานแต่มีก็แม้ว่าตนเองต้องรักด้วย เออถ้าเป็นพวกพ้องตัวเองเนี่ยโอ้ช่วยกันดีฟังนั้นเถอยามประสบปัญหาชีวิตโอ้โหการุณากันคุ้ยสนขวายช่วยเหลือกันพอสมควรเนี่ยนะแต่ว่าเนี่ยแบ่งกลุ่มแบ่งพรรคแบ่งพวกตรงนี้แหละเป็นปัญหาว่าการที่เราไม่สามารถที่จะสร้างสังคมก็ถึงบอกว่าสังคมไทย อยู่สบายในยุคก่อนๆ น, นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเริ่มจะไม่สบายแล้วนะก็เลยเป็นสังคมที่สมัยโบราณก็เรียกวาในน้ำมีปลาในนามีข้าวอยู่สบายเลยมีเมตตากับการุณาเป็นสังคมเมตตาการุณาต่ากันดีแต่มุทิตาเราก็ไปกันได้นะถ้าพวกพ้องแต่โดยมากก็ไปไม่ค่อยถึงแต่ที่ขาดชัดๆก็คือตัวอุเบกขาที่เป็นไปกับปัญญาอาญี่ปุ่นนะ เชื่มประสานได้มีจุดหมายร่วมกันได้แต่เครียดก้มนะปะนัญหาสังคมเขาก็เยอะแต่ว่าโ ห, โห้เขาจุดกระแสรเรื่องจุดหมายร่วมกันได้อเมริกันก็ในลักษณะนึ้ยเขาต้องอยู่ด้วยกฎเกณฑ์กติกาเพราะเขาหลายชนหลายเผ่าพันธ์การที่จะเมตตาต่อกันกรุณาต่อกันก็น้อยหรือมากก็ใช้สังคมกติกาแต่ประเด็นก็คือว่าเราจะสร้างสังคม ให้เป็นอริยชนเนี่ยสร้างไม่ได้สักทีอันนี้เป็นเรื่องท้าทายสังคมไทยมากทีนี้วิธีจะสร้างทำยังไงยอมอย่าไปคิดข้างนอกเยอะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยให้ยอมหันกลับมาหาตัวเองให้เริ่มต้นที่ตนเองสร้างพรหมวิหารให้เกิดขึ้นในตนนะแล้วยอมจะเข้าสึงสังคมอริยชนได้ในตัวเองนี่แหละเมื่อเราเห็นไหมแทนที่ว่า เราจะนึกถึงคนอื่นนั้นก็นึกได้ต้องรู้อยู่แล้วแต่วิธีปฏิบัติจริงๆต้องหันกลับมาที่ตนเองเนาะเมื่อยอมหันกลับมาหาตัวเองปุ๊บเอาและให้มีใจรักให้มีใจรักแล้วก็ไฟเมื่อเกิดใจรักขึ้นมาก็ไฟที่จะฟังไยที่จะรู้ไยที่จะศึกษาว่าอะไรหนอที่ทําให้เราเนี่ยประพฤติปฏิบัติธรรมะไม่ได้จริงในชีวิตจริงอ๋อ ชัดเจนก็คือทาไมเราจึงเครียดถึงกลุ่มอยู่เราขาดเมตตาทำไมเรามีใจที่อยากจะทำลายคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นอยู่อ๋อเราขาดกาุณนาทำไมเราลิศสยาคนที่เราไม่ชอบที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเราขาดมุทิตาทำไมเรามีอคติลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะหลงไม่แยกแยะลำเ อ, อียงเพราะกลัวเพราะเราขาดอุเบกขา โอ้ยเนี่ยเริ่มรู้แล้วถ้าเรายังขาดพรหมิหารไม่เอาพรหมิหารมาไวา้เป็นธรรมะไว้ธรรมะอันประเสริฐธรรมะที่ควรมีไว้เป็นหลักใจไว้กำกับพฤติกรรมเพื่อจะได้เข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดและจะเป็นไปด้วยดีในการปฏิภาควิปัสสนาการถ้าเราขาดพรหมิหารเราจะเข้าสู่สังคมอริยชนไม่ได้เลยไม่ได้เด็ดขาดเหตุที่เราขาดเนี่ยเพราะเราไม่ได้ศึกษาเรียนรู้จริงๆทีนี้ปัญหามันมีคนถาม ไม่รู้มีถามแบบตอนนี้แต่เท่าที่เคยถามมาที่จับประเด็นตรงนี้ได้ก็คือท่านอาจารย์ก็ถามอยานี้ถ้ า, ายามฝึกพรหมวิหารให้เกิดขึ้นในตนเองได้ใช้พรหมวิหารใี่ถูกตามสถานการณ์แล้วเนี่ยยอมก็แย่สิยอมก็ต้องยอมคนอื่นตลอดเมื่อต้องยอมคนอื่นตลอดเช่นว่าเขาโกรธมาเราก็ไม่โกรธตอบมันก็ไม่ทิษดีตาต่อตาฟันต่อฟันก็ไม่เกิดสิ เขาเบียดเบียนเราเราไม่เบียดเบียนเขาตอบเขาริษยาเราเราไม่ริษยาเขาตอบเนี่ยเขาปฏิสศร้ายเราเราไม่ปฏิทศร้ายตอบก็แสดงว่าเราแย่เลยงอมืองอเท้าเป็นสังคมที่แย่ที่สุดไม่จริงอันนี้บ่งบอกว่าไม่เข้าใจให้สังเกตดูนะว่าสังคมที่เดินพรหมวิหารเป็นฝึกพรหมวิหารเป็นเป็นสังคมที่เด่นตัวปัญญา ไอตัวปัญญานี่แหละเป็นตัวที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดตัวสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องโดยเฉพาะกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิที่ปัญญาที่ชาญฉลาดในเรื่องเหตุผลเชิงเชิงลึกเชิงต okay. ื i, ้นลึกรู <asi. S 2> ้รอบรู้ชัดรู้ทั่วรู้โดยประการต่างๆแล้วมีสัมมาสังกัปป์ใจไม่หมกมุ่นในกามด้วยใจไม่หมกมุ่นในโทสะด้วยใจไม่ไปหมกมุ่นในการคิดเบียดเบียนด้วย พอทั้งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกป่าเนี่ยเกิดร่วมกันโดยมีโยนิโสมนัสการเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเตือนให้ความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นความดําริีที่ถูกต้องเกิดขึ้นมาเป็นสภาพใจที่มีความแข็งแรงมากใจที่ไม่ติดข้องในการมาคุณไม่ใช่ทำสิ่งทั้งหลายแล้วมีกามเป็นตัวล่อไม่ใช่เลยแต่มีอุดมคติที่ต้องการอยากจะเข้าถึงความดีงามเข้าถึงความแข็งแรงและมั่นคง เข้าถึงสภาพขันติที่ความอดทนเข้าถึงสภาพเมตตาที่ถูกต้องกรุณาที่ถูกต้องมุติตาและเวขาที่ถูกต้องเข้าถึงคุณธรรมคือปัญญาเข้าถึงคุณธรรมคือตัวสมาธิเข้าถึงปัญญาคือตัวกุศลศีลเป็นต้นเหล่านี้ทีนี้ปัญญาเนี่ยมันจะมองเห็นทั้งหมดมันจะมีความเข้มแข็งจะมีความแข็งแรงมากในกรณีที่จะแก้ปัญหาได้ทุกขั้นตอนได้ ฉะนั้นเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นมามีความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นมามันไปรู้มากกว่าเขาความรู้มากกว่าเขาแล้วก็มีความเข้มแข็งไอตัวที่ใช้คำว่าปัญญาพลังกำลังคือปัญญาพอรู้ชัดรู้รอบรู้ทั่วรู้ลึกรู้โดยประการต่างๆเป็นสังคมที่สแสวงปัญญาสแสวงความรู้พอรู้แล้วเนี่ยต่อมามีวิริยะพลังกาลังอย่างความแกล้วกล้าอาถาร กล้าที่จ ะ, ะเผชิญปัญหาอุปสรรคกล้าที่จะฟันฝ่ากล้าที่จะต่อสู้เพราะรู้และเข้าใจว่าจะดําเนินชีวิตอย่างไรถึงจะเข้าถึงจุดหมายปลายทางอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอนัวัชพลังกําลังแห่งความสะอาดบริสุทธิ์เขาเรียกใจซื่อมือสะอาดการที่มีพรหมวิหารอยู่ในใจกํากับใจไว้และภาคปฏิบัติการมาเป็นสังฆวัตถุเป็นตัวกุศลศีลเป็นต้นเหล่านี้กายว่า กายก็สะอาดใจก็สะอาดวาจากกายวาจาใจสะอาดก็เรียกว่าเป็นคนมีคุณธรรมก็เรียกว่าเป็นอนัตวชาพลังสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตัวไหนเขาเรียกว่าสังขะพลังกําลังเห็นการเชื่อมประสานนี่โหปัญญาเด่นความเพียรเด่นสติเด่นสมาธิเด่นมากแล้วก็พรหมหานในใจก็เด่นเมื่อมีคุณธรรมเหล่าเนี้ยเป็นตัวเป็นตัวเชื่อมประสานยึดโยงทั้งหลายเหล่าเนี้ไม่ว่าจะ เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถที่จะรู้และเข้าใจเป็นสังคมที่ไม่ใช่อยู่ที่ความรู้สึกเป็นสังคามายรู้ฝ่ายเรียนฝ่ายศึกษาฝ่ายสร้างสารรค์ใยฝึกยิ่งยากก็ยิ่งฟันฝ่า พ, พัฒนาตนเองทุกด้านทั้งด้านพฤติกรรมก็พัฒนาทั้งด้านจิตใจก็พัฒนาทั้งด้านปัญญาก็พัฒนาไม่หยุดหย่อนถามว่าสังคมที่พัฒนาทุกด้านขนาดนี้ยจนไม่เป็นาธาตุของกิเลสคือราคาโทสามโมหะ ไปตั้งอยู่ในสภาพของเมตตากรุณาุมตตาและเวขาได้อย่างแท้จริงแล้วก็ใช้ธรรมะได้ถูกต้องทันต่อสถานการณ์เหตุการณ์อย่างแท้จริงถามว่าจะเป็นสังคมที่ออนแอได้ยังไงกับยิ่งเข้มแข็งไม่ว่าใครจะมาในมุมไหนด้านไหนรู้และเข้าใจหมดเลยเป็นเหมือนในสมัยครั้งพุทธกาลสังคมของแฟนวชิพพุทธเจ้าบอกว่า วัดชีเนะี่ยมันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกเนี่ยหลักสามัคคีหลักเอกภาพแล้วสามัคคีเนี่ยวัดชีทำเนี่ยนะเขามีหลักเขามีหลักเขามีความเคารพผู้ใหญ่มีบุคคลที่เป็นหลักเป็นที่เคารพมีเจติยะมีเจดีมีหลักใจมีมีหลักที่สําคัญที่สุดของประเทศเป็นศูนย์รวมใจมีจุด มีมีมีจุดหมายร่วมกันว่างั้นเถอะแล้วเขาขวนขวายฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องแต่ต่อมาวัชีพังแฟนวัชีพังเพราะอะไรแตกสามะคีฉะนั้นประเทศชาติแตกสามะคีจะจบเลยแตกสามะคีคืออะไรแตกพรมิหารแตกพราะพรมิหารหลุดไปจากใจปุ๊บกิเลสเข้าฉันทาคติมาโทสาคติมาโมหาคติพยาคติอกุศลและธรมเข้ามาแตกข้างในก่อน เพราะมันแตกข้างในก่อนโอ้มันมาข้างนอกเต็มไปหมดเลยตอเนี้ยโอ้ยมันขนธรรมในใจมันแตกสลายก่อนหนึ่งไม่มีที่พึ่งไม่มีที่หลักไม่มีหลักยึดสังคมไม่ใ่ไม่ไม่เชื่อมประสานเรียบร้อยเลยไม่ตั้งมาในคุณความดีไม่ตั้งมาในคุณธรรมทั้งไรเพรแตกข้างในแตกแล้วมองกันเริ่มเอารัดเอาเปรียบกันเริ่มแบ่งแยกกันเริ่มปฏิทุสลายกันเริ่มขัดแย้งกันในส่วนจริงก็อย่างที่ชาวชะกะ ถามมุรเจยว่ามนุษย์เทวดานาคุดคนทัน ท, ทั้งทั้งที่หวังอยากจะให้สามัคคีกันดีกันไม่พัทศร้ายกันไม่ปองร้ายกันทำไมล้มเหลวอทําไมถึงล้มเหลวเมื่วานเนี่ยเราคิดว่าเอทําไมนาะทําไมไม่สามัคคีกันไม่ดีกันเราก็ได้จะมองแต่คนอื่นอยากให้คนอื่นแล้วอยากจะไปจัดการคนอื่นอยากจะให้คนอื่นสามัคคีกันแต่ตัวเองเล่าร้อนมันต้องเริ่มต้นจากตนเอง แล้วก็หันมาศึกษาคําสอนของพุทเจ้าที่พระเจ้าสอนหลักเอกีภาพสามัคคีพาราดรภาพเนี่ยที่พุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยหลักสามัคคีเรามีของดีในาศาสนาแล้วก็ไ ม, ไม่ไม่เอามาศึกษาค้นคว้ากันอย่างจริงจริงังจังแล้วเอามาใช้กันจริงๆแล้วก็เริ่มต้นที่ตนเองก่อนอยังไงเริ่มได้แต่สังคมครอบครัวแล้วก็ไล่ไปตามลำดับฝึกกันจริงจริงยังจังเรียนรู้กันจริงๆริงยงจังมีใจรักกันจริงๆริงยงจังในการที่จะทําชันทะเป็นต้นให้เกิดขึ้น โอ๊ยถ้าทําได้อย่างนี้สังคมก็เยือกเยน็นใกล้หมดเวลาเหลือนาทีกว่าๆมีปัญหาไหมมีคนถามอะไรมาไห ม, มอ๋อไม่มีเลยเอามาเลยพูดคนเดียวเลยยมเข้ามาฟังกันกี่คนเนี่รอยห้าสิบท่านที่กาลังฟังอยู่เนี่ยมีใครอ <50 S 1> ม, มีใครไหมว่าสี่สิบกว่าท่านที่กาลังฟังมีใครอยากจะถามไหม โมทนากับทุกท่านดเลยนะอุตส่าห์เจริญกุศลกันเต็มที่เลยแล้วก็ฝึกผลมาก็หวังปรารถนาดีอยากให้พวกเราทั้งหลายได้เดินพรมิหารกันได้ก่อนๆให้ชัดจริงๆมีธรรมะที่อยากจะมาบอกกล่าวปัญหาที่มีคนถามมานอกรอบก็เรื่องการยังฝึกพรมิหารไม่ได้ <c ười> คือฝึกได้ไม่ใช่ไม่ได้เลยทีเดียวนะฝึกได้แบบประเภทที่ว่าไม่ต่อเนื่อง หรือยังอ่อนแออยู่เออมันมีเคล็ดอย่างนี้ยอมเคล็ดลับเคล็ดลับก็คือว่าการการฝึกเมตตาเนี่ยไม่ใช่พยายามที่จะคิดเมตตาคนอื่นหรือไปหาสิ่งอื่นก่อนเป็นันดับแรกให้สังเกตสภาพใจที่มีความนุ่มนวลอ่อนโยนจิตที่อ่อนโยนจิตที่ปราโมทย์ปีติจิตที่มีความสุข เกิดขึ้นจากมองเห็นความดีของตนเองเนาะบางคนบอกไม่เคยเห็นความดีของตนเองแย่ yeah, เลยก็ให้นึกอย่างนี้นึกถึงการนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงความดีแล้วก็น้อมเอาความดีนั้นมาให้ตนเองปรารถนาให้ตนเองเข้าถึงความดีนั้นเรารักตนเองนะเนี่ยมองไปหน้าที่ไหนแล้วลักอื่นเสมอด้ดยตนไม่ดีปรารถนาให้ตนเองมีความสุข กายมีความสุขใจมีความสุขแล้วตอบปรารถนาไหนเราปลอดภัยจากอกศักและอันตรายทั้งหลายเราปรารถนาดีกตัวเองแบบนี้ไหมอยากให้ตัวเองมีความสุขปราศจากความทุกข์มีใจิตใจเบิกบานไหมถ้าปรารถนาอย่างนั้นนั่นแหละเมตตาตัวเองมันเริ่มเกิดนะพยายามสังเกตดูนะสภาพใจที่เป็นเมตตามันเป็นยังไงมันอ่อนมันเหมาะมันควรมันมีความสุขมากถ้ามันไม่ได้จริงๆยอมก็ไปฝึก เช่นไปฝึกปฏิบัติต่อคุณแม่คุณพ่อเป็นต้นอะารเนี้ยดูแลซักผ้าให้แล้วทำใจให้เป็นเมตานะไม่ใช่ไปดูแลแม่แต่ไปกํากับเอาความต้องการของเราไปกํากับแม่ไม่ใช่มองความต้องการของคนที่เราอยู่ด้วยแล้วก็ไม่เอาความต้องการของตนเองไปกากับไปคอนโทรลเขาอย่างนี้เป็นต้นฉั้นพยายามฝึกเอาใจช่วยนะอยากให้โยมมีความสุขกันได้เมตากันอย่างแท้จริง้าถึงเมตตาทา พระเจ้บาบอกเมตตาคำหยุนโลกยเป็นต้นเอาได้ ว, วันนี้สมควรแก่เวลาเนาะข้โมรุนาใจโยมญาติ ม, มิตรทุกๆท่ททนานญาติโยมทั้งหลายที่ตั้งใจฟังธรรมะกันอย่างติดต่อและต่อเนื่องแล้วก็ต้องการจะฝึกผลพัฒนาตนเองจริงๆอยากให้โยมึได้เข้าถึงความสุขเมตตากรุณามุติตาและเบขาขออนุภาพเป็นคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมปารียสงฆ์จงคุ้มครองกระแสชีวิตของโยมทั้งหลาย ฉันสามารถฟันฝ่าปัญหาโรคศักดิ์ที่เรากําลังชเผชิญกันในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายทั้งหลายเหล่านี้ให้มั่นใจว่าถ้ามีเมตตาพรมิหารแล้วจะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักอของอมนุษย์ทั้งหลายไฟสัตรา ย, ยาพิษโรคร้ายไม่เบียดเบียนไม่แทรกเข้าไปในกายสีหน้าพองใสสมาธิตั้งมั่นเร็วไม่เป็นเอาไซเมอร์ไม่หลงทําการกิริยา ปรารถนาซาปรารถนายศปรารถนาความสุขให้สมปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทินสาธุสาธุ